ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องผู้พิชิตตอนที่สองโดยท่านพระโพธิรักษณพุทธสถานสันติโอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ อะเรามาต่อนที่ได้บรรยายไปแล้วคราวที่แล้วเราบรรยายไปถึงระดับที่สี่าเราบรรยายไปถึงระดับที่สี่คือระดับที่ปราบคนเก่งที่หลงผิดนะ ระดับที่หนึ่งเราปราบทั่วไปเราคำนี้ก็หมายความว่าเราเอาตามพระพุทธเจ้าพระสมมาสพพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ที่ชนะมีชัยชนะหรือว่าได้พยายามต่อสู้ปราบปรามในเรื่องของกิเลสตัณหาทางด้านภาวะสงครามทางจิตใจทางจิตวิญญาณ ท่านปราบพญามารด้วยธรรมอาวุธคือทานปราบพญายักษ์ในธรรมอาวุธคือขันติปราบคนพาดดังเดรฉานตกมันด้วยธรรมอาวุธคือเมตตาปราบคนเก่งที่หลงผิดด้วยธรรมอาวุธคือริทธาสามารถทางจิต ซึ่งก็ได้แจกแจงขยายความกันไปพอสมควรแล้วทีนี้ก็มาต่อระดับที่5าเข้ารอบที่หนี่เลยเขตสขึ้นไปแล้วระดับทั้งหมดเราก็รู้คร่าวๆแล้วว่ามี8ระดับเมื่อระดับที่หขึ้นไปนี่เข้าเขตชั้นสูงละในที่นี้ก็เรียกโดยภาษาภาษาไท ย, ไทยในแปลออกมาชัดๆเรียกจอมายาสาไถย นีเป็นจอมชนิดต้นจอมายาสาไทยเป็นเรื่องของจิตนะน่เป็นเรื่องของจิตทางจิตใจโดยตรงเลยทีเดียวเราต้องพยายามระลึกพยายามเรียนรู้ตามให้ชัดๆนะจอมายาสาไทยเนี่ยมันร้ายแรงเพิ่มเติมขึ้นร้ายแรงมากในตํานาน ที่ท่านว่าไว้ลองอ่านดูก่อนก็ได้กตวานะกัตธมุทรังอิวคัคพินิยาจินจายะทุทธวจนังชนะกายมัชเชสันเตนโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระวตถุเตชยมังคลานินอันแรก กตะ ว, วานากธมุทรังอิวคัคคพินิยาท่านแปล ร, รวมไปเลยทั้งเอาในวรรคที่สองด้วยจินจายะทุทถ ว, วัจะนะังชนะกายามัตเชเนี่ยรวมเอาตั้งแต่จินจายะนางจินจามาวิมาริกาเนีเมื่อนางจินจามานวิกากล่าวร้ายเป็นการมดเท็ศนะพูดมดเท็ศอย่างกล่าวร้ายมดเทศอย่างไม่น่าไม่น่าที่จะกระทํา ทำอมการประหนึ่งว่ามีคันนิแปลตามจำนวนง่ายๆธรรมการประหนึ่งว่ามีคันนะครับพินิยาโดยเอาผ้าห่อไว้เอาผ้าห่อไม้วงกลมทําเป็นกลมๆเป็นผ้าห่อไม้ทําเป็นลูกกลมๆนะผูกเข้าที่ท้องนะผูกเข้าที่ท้องนะี่เรียกว่า เป็นมายาสาไทยของนางจินจามามิกาแล้วก็มาตู่ว่าพระสมมาสัพพุทธเจ้าเป็นาศาสดาในที่นี้ถ้าเผยว่าไม่รู้ถึงตำนานอ่านแค่นี้ก็ไม่รู้เรื่องหรอกแปลออกมาจากภาษามันมีอยู่แค่นี้ถ้าเผวว่ารู้จากตำนานพอรู้อันนี้ก็แปลออกมาก็จะรู้เรื่องว่า ยกตัวอย่างเอาตำนานเอานิทานที่ประกอบกรเรื่องในประวัติพระพุทธเจ้าเป็นบุคลาทิฐานแท้ๆว่านางกินจัมมานวิกานี้เป็นผู้หญิงที่เป็นศัตรูคู่ต่อสู้ในทางที่จะล้มล้างล้มล้างต่อสู้พระพุทธเจ้า่ะต่อสู้ลัทธิอ่าเป็นลูกสาวพวกมารพวกยักษ์พวก ที่เขาจะพยายามาปราบปรามเลยว่าขับเคี่ยวกันนะ่ะมันมีการต่อสู้เหมือนอย่างกับที่เราเป็นอยู่นี่เราก็ต่อสู้แล้วเราก็พยายามที่จะดาเนินพยายามดาเนินไปพยายามที่จะบุกบั่นไปเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องทํางานเหมือนกัน ทีนี้ก็ถึงขนาดที่มีการใส่ใส่ใครหรือว่าการธรรมายาสาไทยกันถึงขั้นทำทีเป็นทองเอาไม้กลมๆมาทำเป็นผูกไว้ในทองเหมือนกับตัวทั้งตั้งทองแล้วก็มาแล้จะได้ทําเป็นป่าประกาศเจ้าข้าเอ้ยพระสมณโคดมนี่ทำฉันทองแล้วไม่รับนะว่ากันเสียหายไปอย่างนั้นเอามาชี้หน้าชี้ตาด่าว่าพระสมมาธพรุทธเจ้า พระสมานาพระุทธเจ้าท่านก็ใช้สันเตนะนะสันเตนะโส ม, มวิธินาหมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงชำนาโดวยวิธีการส ง, งบนิ่งเบิกบานแจ่มใสยอยู่ดั ง, ด, งดังพระจันทร์โสมพระพระจันทร์พระจันทร์เพ่นถ้าก็เบิกบานแจ่มใสยอยู่พระจันทร์ผ่องเต็มอยู่เฉยเฉไม่ได้โศกเศร้าก็สะดุ้งสะเทือนไม่ได้ มุนมองไม่ได้อับเฉาอะไรท่านก็เฉยและท่านยังกล่าวด้ ว, ว่าเออมีน้องหญิงกับเราสองคนเท่านั้นแหละรู้ความจรงิงท่านก็กล่าวแค้นและท่านก็เฉยเฉยมีเธอกับเราสองคนเท่านั้นแหละรู้ความจรงิงเป็นที่สุดและท่านก็หยุดฟังได้เป็นสองหนถ้าบอกว่าเธอกับเราสองคนเท่านั้นแหละรู้รู้กัน ว่าจริงหรือไม่จริงอะนะฟังเป็นสองในถ้าเป็นในอีกในหนึ่งก็ว่าได้ว่าจริงหรือไม่จริงก็บอกก็นั่นแหละก็แน่สิสองคนเนี่ยรู้กันเนอะพออีกในหนึ่งก็บอกอก็รู้จริงหรือไม่จริงกัตัวเจ้าตัวเขาในอะไรกับเราเนี่อย่างน้อยที่สุดสองคนนี่เรารู้เรารู้กับเราว่าจริงหรือไม่จริงคนอื่นๆจะรู้อีกหรือไม่ก็ตามใจแต่อย่างไรเราก็รู้ว่ามันจริงหรือเท็จท่านก็เฉย เต่นไปเต้นมาไม้หลุดพวผ้าออกมาก็เปิดหน้ากากเขาก็จับได้ว่าเนี่ยมายาสาเถยอันนี้เป็นบุคลาธิฐานนะทีนี้ในด้านธรรมาธิฏฐานนั้นก็จะต้องหม้เอาธรรมะไม่ได้มาเอาตัวบุคคลไมายเอาเรื่องที่เลวไหลเลวซามต่ําช้าล่อหลอกล่อ ล, อลวงถึงได้เรียกว่าจอมายาสาไถย ลักษณะจิตที่มันใช้เล่ใช้เล่โกหกสับปรับตอแหลตั้งแต่หยาบที่สุดอ่าตั้งแต่หยาบที่สุดใครก็ตามเรียกว่าหน้าด้านหน้าทนอะไรก็แล้วแต่อ่าทำในเรื่องที่เลวซามต่ำชาถึงขนาดอย่างนั้นถ้าคนมีจิตใจอย่างนี้แล้วอ่าพระพุทธเจ้าท่าในได้ใช ทฤษฎีว่าเฉยเสียอย่าไปต่อสู้โดวยวิธีใดๆอื่นๆอีกเลยเพราะคนที่น่าด่า น, น่าทนถึงขนาดนี้จอมโกหกตอแหลถึงขนาดนี้มายาสาไทยแรงๆถึงขนาดอย่างนี้แล้วแล้วก็มันพูดกันไม่ไหวแล้วนี่มันรู้ทางรู้ชัดชัดแจ้งแจ้งแล้วหาเล่หาเล่หาเรื่องปลอมแปลงมันโกโกหกกันอย่างขนาดอย่างนี้เพื่อที่จะล้มล้างทาลาย ไม่มีเขาไม่มีเงื่อนไม่มีเขาไม่มีเงื่อนอะไรก็แซงทําเสทําทําโกหกทั้ ง, ท, งทั้งที่รู้อย่างโจ่งแจ้งชัดเจนสร้างสถานการณ์สร้าง เ, เรื่องราวเท็จมดเท็จอะไรขึ้นมาอย่างนี้แล้วลราก็อย่าไปต่อร้อต่อรานเลยคนผ น, นี้เพราะว่าเขาเจตนารุนแรงแล้ว เขาปักมั่นแล้วไม่ได้กลัวบาปลกลัวกรรมไม่ได้มีความสานึกอะไรหรอกอย่าไปกระทบกระเทือนหรือว่าอย่าไปอย่าไปไดันอะไรเลยนะอย่าไปต่อสู้อะไรเลยด้วยวิธีอื่นๆวิธีเดียวเท่านั้นก็คือเฉยเบิกบานอยู่ธรรมาดา ถ้ามีกิจมีอะไรที่พอเป็นไปพออะไรได้เราก็ทำของเราไปไม่ต้องไปต่อแยอะไระในในยะอย่างนี้มีอยู่ในสังคมมีอยู่ในมนุษย์มีอยู่ตลอดเวลาขอบเขตของสภาพที่เราเรียกว่ามันรุนแรงอย่างนี้หรือว่ามัน ทุจริตถึงขนาดอากุศลถึงขนาดอย่างนี้ลามกชั่วร้ายถึงอย่างนี้แล้วเราก็กําหนดประมาณเราเองของใครของมันของใครกันแล้วแต่ถ้าเห็นว่าในขนาดนี้โอ้โหอย่างนี้เขารู้ชัดชัดอยู่อย่างนี้เขาก็ยังอุตส่าห์ทําชั่วทําเลวเจตนาร่มล่างกันไล่ๆเลยอย่างนี้แล้วก็เราต้องกำหนดรู้จิตแล้วว่าจิตใจเขาเจตนาแรงอย่างนี้ไม่มีการละลายไม่มีการ มันไม่มีช่องไม่มีทางเลยเล้วเล่นเอาดื้อกันอย่างนี้มันเจตนาฆ่าแกงเจตนาเอาเป็นเอาตายเลยแบบนี้เพราะว่าคนอย่างนี้เราหลีกลบได้หลีกรบไปเฉยที่พระพุทธเจ้าท่านทําเนี่ยท่านไม่ได้กลัวเกรงนะท่านก็ไม่ได้หลีกลีดหนีวิ่งหนีอะไรหลบหนีอะไรไม่เพราะว่าเราไม่ได้กลัวได้เกรงอะไรนี่เราเองเนี่ยทํางานมา ในด้านศาสนานี่ตลอดเวลาคนเขาว่าเนี่นี่ทั้งทั้งที่เขารู้เขากระทาในลักษณะถึงปานชนีดมีอยู่จริงมีอยู่จริงเรียกว่ารู้ทั้งรู้แล้วก็ทำใสค่คำใส่ความอะไรเราเลยต่างๆนานาอย่างโน้นอย่างนี้เราไม่เคยไปโต้ตอบเราไม่เคยไปอะไร อ, อะไรเลยเฉยเพราะาอยู่ในขอบเขตที่ว่าเขาเรามาอย่างโน้นอย่างนี้ขนาดนั้นขนาดนี้เราเฉย พอหาเรื่องใส่ความเจตนารู้อยู่ว่าไม่มี็นเรื่องในราวอะไรเราก็เฉยก็นิ่งไปเสมอไม่ต้องไปตอบไปโต้ไปตีอะไระปล่อยเขาเสียระดับอย่างนี้เราก็รู้รู้ให้ได้ว่านี่มันถ้าว่ากันจริงแล้วนี่เป็นเรื่องของจิตที่เริ่มมีตัวรู้ฟังให้ดีนะในเริ่มมีตัวรู้อย่างขนาดระดับเมื่อกี้นี้ว่าคนเก่ง คนเก่งที่หลงผิดนั่นเรียกว่าไม่รู้หลงหลงผิดไม่รู้อย่างองค์คุลิมาอย่างเงี้ยไม่รู้หลงผิดนะอันนั้นมันก็เรียกว่ามันก็ยังน่าเห็นใจนะแต่ก็แรงร้ายหยาบคายนะเพราะว่ามันดุเดือดแบบโลกโลกนาราคิริงอย่างช้างตกมันแม่นั่นมันก็เมาไมา้มันไม่รู้เรื่องมันเหมือนคนบ้ามันเรื่องของบ้าความบ้าความเมา มันก็ยังดีไปในเชิงหนึ่งนะมองไปในเชิงหนึ่งมันก็ยังดีกว่าไอ้นี่ทัทง้งๆรู้รู้เรื่องจิตนะฟังดูมันแสบสันกักนและละเอียดกว่ากันดยละเอียดกว่าไอ้นั่นมันด้านเหมือนวัตถุธรรมสี่อย่างต้นมันเหมือนวัตถุธรรมประกอบด้วยวัตถุธรรมสี่อย่างปลายนี้เรื่องของจิตและมีเชิงรู้รู้ มีจิตใจที่รู้อยู่แล้วเพราะระดับหยาบอันแรกที่ทั้งที่รู้รนี่ระดับนี้ถึงเรียกว่ารุนแรงหยาบคายถึงระดับนี้แล้วหยุดเฉยเสียไม่ต่อสู้ได้วิธีอื่นใดถ้าทางด้านทั้งโน้นใช้ดยต่อสู้ได้วิธีการของด้านความสามารถทางกายทางวจิจีทางใจอะไรก็แล้วแต่สี่อย่างต้นแล้วก็ว่ากันไปตั้งแต่ใช้ระดับต้นปราบมารมาได้ขันแต่ปราบมารมาได้ทาน อให้เขาไปเลยถ้ารุนแรงเรียว่าระดับต้นเลยนี่มันมันมานพันแขนพันมือมาเหนือเมฆตายเมฆอะไรแล้วแต่ขี่ช้างมาด้วยตัวใหญ่เบ้อด้วยอะไรก็แล้วแต่อย่างงั้นแล้วก็เหมือนกันคล้ายๆกับระดับต้นนี้ระดับนั้นหยาบแล้วให้ไปเลยนี่เทียบเคียงให้ฟังเทียบก็ไปหาระดับสี่ระดับต้น มันปราบมารมานี่ถือว่าใหญ่เจ้ ว, ว่าถือว่าร้ายแรงที่สุดแล้วทวนทั่วให้ไปเลยยกให้ไปเลยเพราะพวกนี้โลภจัดรุนแรงจึงเรียกว่าใช้ทานะระดับสูงขึ้นมามันก็มีรายละเอียดล่ขึ้นมาล่ขึ้นมาอ่ะทีนี้เราดูระดับที่สองของด้านจิตสัจังวิหายะมติสัจจกวารทเกตุง วาทาพิโรปิตมนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปะชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิแปลความตั้งแต่ต้นมาว่าเมื่อสัจจะละสัจจงวิหายะเมื่อสัจจะนิครนผู้ไม่รักษาสัจจะชอบยกวาทาของตนเป็นยอด มุ่งจะมาโต้วาทะด้วยจิตที่ปิดมืดมนยิ่งนะชื่อที่ปิดมอดมืดมนยิ่งนะพวกนี้เมื่อกี้บอกแล้วว่าเริ่มต้นพวกนี้รู้นะสัจจังวิหายาณิคนเนี่ยเป็นพู้ที่รู้นะอยู่ในตำนานพระพุทธเจ้าก็มีปุกคลาธิฐานก็มีว่าเป็นพวกคู่ต่อสู้ชนิดที่รู้สัจจะนิครณเป็นพวกที่มีภูมิธรรม แล้วก็ใช้วาทะของตนโตตอบโต้แยง้งด้วยความที่ยังไม่รู้มีความมืดมนมีความอาติอันทภูตังมีจิตวิญญาณที่พูตจิตอันทมันมืดมนนะอติก็ยิงมืดมนยิ่งปิดอยู่ที่ในจิตในใจอนะมาโตตอวาทาพิโรปิตมะนังนะ มาโตมาตอบเป็นวาทะยกของตัวเองว่ายอดว่ายิงอภิโรอภิระยิ่งใหญ่ยิ่งยอดวาทะของตัวชนะด้วยวาทะวาควาทีต่างๆลบล้างลมล้างดยคารมพระพุทธเจ้าต่อสู้ด้วยอะไรต่อสู้ด้วยพวกนิกคนหรือว่านักบวชนักบุญนักปราดเรียกว่านักปราดก็ได้ แต่ยังมีความมืดมนเรื่องว่ายังมีสิ่งที่มีหมอกเมฆยังไม่สว่างใส ย, ยังไม่จริงจังเป็นสัจจะบริสุทธิ์บริบูรณ์ยังมีเหลี่ยมหลบเหลี่ยมลู้ในที่นี้แปลวักนี้และแปลตัวนี้เอาไว้ว่าจอมโจรบัณฑิตซึ่งขณะนี้เรากำลังท็อปพิดกันอยู่ในคำว่าจอมโจรบัณฑิต คือผู้ที่มีเล่ห์เล่เลแฝงอยู่ในใจมีเล่ห์เล่แฝงอยู่ในใจแล้วอ้างเป็นสัจจะเอาสัจจะนี้คลองครอบคลองโลกหรือว่าหลอกลวงโลกใช้เล่ห์เล่ใช้วาทะใช้คารมใช้วิธีการต่างๆนานาเพื่อที่จะทำให้คนอื่นเขาเห็นเป็นจริงมีสัจจะใครคนอื่นเขาเชื่อเป็นจริง ต่อสู้กันด้วยกรร ม, มวิธีเชิงชั้นสูงนะต่อสู้กันด้วยวิธีเชิงชั้นสูงพระสมมาสัพพุทธเจ้ า, จ, าจึงต้องต่อสู้รพระจรมุนีทรงชำนะโดยทรงจุดประทีปคือปัญญาขึ้นส่องให้เห็นความจริงนะนี่แปลโดยสำนวนปัญญาประทีปชลิตโตนะปัญญาประทีปชลิตโตนะปัญญาประทีปชลิโตชลิตะก็แปลว่า ความรุ่งเรืองอันลุกโผลงความส่องขึ้นส่องให้ลุกให้ส่องสว่างปทีปะชะปัญญาประทีปะชะลิโตเพราะฉะนั้นถึงขั้นนี้แล้วก็ต้องต่อสู้กันด้วยปัญญาต่อปัญญาต้องใช้ปัญญาที่เหนือกว่าเมื่อเขายังมืดอยู่เราก็ต้องทําให้เขาสว่างเมื่อเขาไม่เห็นเราก็ต้องทําให้เขาแจ้ง เรามีเมตตานะเรามีเมตตาต่อสู้ไม่ใช่เขีนค่าการรบรากันในทางธรรมเนี่ยเรียกว่าสงครามสงครามเทวะกับอสูรเรียกว่าสงครามระหว่างจิตวิญญาณเทวะไม่ใช่คนโหดร้ายเทวะเป็นคนใจดีมีเมตตาเกื้อกูลเทวะหรือพระเจ้าหรือพระเป็นเจ้า ไม่ใช่ผู้โหดร้ายเพราะฉะนั้นการที่จะรบก็เป็นจำนวนรบมันต่อสู้กันจริงๆมันพยายามที่จะกลับเปลี่ยนเขาให้เขาไม่ไปเป็นปฏิปักษ์ไม่ให้ไปเป็นคนอีกฝั่งหนึง่งไม่ให้เป็นคนผิดกลับมาเป็นคนถูกไม่ให้เขาไปเป็นคนชั่วกลับมาเป็นคนดีไม่ให้เขาจนกระทั่งที่สุดไม่ให้หมนต์ไม่ให้หมอง ให้มันเป็นคนสะอาดบริสุทธิ์อย่าว่าแต่ไม่ให้เขาเป็นคนดำเลยและให้กลับมาขาวเลยให้เขาแม้แต่ยังเหลือเศษที่ยังเปื้อนยังหมน่นยังหมองยังมีสีเทาสีพวกอะไรอยู่ก็ตามให้กลับมาเป็นขาวสะอาดมันก็เป็นการขัดมันเป็นการล้างมันเป็นการทาให้เปลี่ยนกลับมาอยู่เสมอนะ อั้าพูดอย่างนี้ก็เป็นแต่เพียงรู้ความหมายรู้ความหมายกันว่าจอมโจรบัณฑิตที่เราจะขยายความกันเนี่ยเราก็จะเข้าใจแต่เพียงว่าเป็นผู้ที่ยังไม่ถูกต้องแท้อทีนี้มันมีนัยยะละเอียดลงไปอีกว่าผู้รู้เนี่ยผู้พยายามที่จะอวดอ้างสัจจ สัจจนิครนนี่ก็พยายามอดอ้างสัจจะนะแล้วก็หมายเอาธรรมะเราไม่เอาตัวตนบุคคลสัจจนิครนละในสมัยพระพุทธเจ้ามีสัจจนิครนที่เป็นตัวอย่างยกขึ้นมาก็ยกขึ้นมาสมัยนี้มีผู้ที่เป็นคู่แข่งสัจจนิครนนี้เป็นคู่แข่งพระพุทธเจ้านะมีความรู้มีรัฐมีมูลรัติมีเป็นมีศาสดานะแข่งแข่งขัน ใช้ปัญญาใช้อะไรต่ะไลต่างๆนานาที่เขายืนยันมานี่เข้อถูกต้องอย่างโน้น อ, อย่างนี้มีคารมโบหามีเชิงปัญญาไม่เบาเลยนะขณะนี้มันก็มี น, นี่เราพูดนี่เราอธิบายแล้วเราจะเห็นเด่นชัดเลยว่าของจริงมีเราสู้อยู่เดี๋ยวนี้เราพยายามต่อสู้อยู่นี่กัคนอวดอ้างว่าของเขาก็ถูก เขามีสัจจะเขาเป็นสัจจะจริงเหมือนกันใช้การต่อสู้ล้มล้างโดยเลดเดลเ ล, เ ล, เลด้วยคารมคมคาย้วยเชิงปัญญาแต่ว่าเขาก็ยังรู้ไม่จริงยังวกจังวนบางทีก็จิตใจตัวเองนี่แหละรู้อยู่ในทีว่ามันก็มันไม่เหมือนกับยังอันแรกอันแรกนะ่ะมันหยาบคายรู้ทั้งรู้อยู่ทนโทษแกลง้งแหมะว่ากันจบเลยกลับตรรปั์เลยไม่มีก็สร้าง เรื่องเลวเรื่องร้ายขึ้นมาว่ากันเลยแต่นี่ไม่แต่นี่ก็พยายามที่จะอาศัยสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยอยู่บ้างแล้วก็พยายามใช้คารมคมคายปัญญาเชิงชั้นใช้ปัญญาแท้ๆเลยนี่เป็นความฉลาดเฉลียวมาสู้กันขณะนี้เราพบไหมถามคุณอย่างนี้ ขณะนี้เนี่ยที่เรามีอยู่ประสบอยู่เดี๋ยวนี้พบใหม่พวกเราก็จะรู้พวกเราก็จะตอบได้ว่าพบอยู่มีอยู่ที่เดียวเกลื่อนกลาดสัจนะนิครณอย่างนี้นะหรือว่าเป็นจอมโจรบัณฑิตอย่างนี้อ่ะทีนี้ก็จะขยายคําว่าจอมโจรบัณฑิตนี้ขึ้นไปให้มากๆให้เข้าใจได้มากๆเยอะๆอ่ะเท่าที่จะพอเป็นไปนะ เรื่องหยาบหยาบมันก็ไม่ต้องแล้วนะเรียกว่ารู้รอยู่ว่าเขาเองเขาพยายามพูดหรือใช้ปัญญาอันมืดมนมากกลบเกลือนบิดเบี้ยวมีเข้านะมีเขามีเงื่อนมีเหตุมีปัจจัยแต่บิดเบี้ยวอย่างหยาบหยาบคลายๆอย่างที่เห็นชัดๆว่าเออถียงดื้อไปอย่างงั้นเพราะฉะนั้นถ้าเถียงดื้อไปอย่างงั้นเราก็ ใกล้ๆกันก็นจอมายาสาไทยใกล้ๆกันเราก็ใช้วิธีการคล้ายๆกันคืออย่างนั้นก็อย่าไปเอาภาระเลยเฉยๆสันติวางเสียโปร่งเสียไม่เอานิ่งๆไม่ต้องไปโตโตไปตอบ อ, อ, อะไรถ้ามันใกล้ๆไปเชิงโนนทีนี้ถ้าเผื่อว่าเขาเองเขาก็ไม่มืดสักทินเดียวไม่หยาบคายจนเกินการพอพูดกันได้เราก็ไล่กันมาก็ค่อยๆพูดกัน บางคนยังไม่พูดมากไม่ดีอยู่ในฐานะที่ใกล้ใกล้ใกล้ ก, ลกลชะชัช้นเฉยเฉยเฉงวางเชิงไม่เอาภาระเสมากหน่อยเพราะว่านี่ยังหยาบคายอยู่ไม่ใช่น้อยอยังใช้ความสับปรับหรือกลับหาเรื่องหาราวอยู่ไม่ใช่น้อยอเราก็พูดบ้างโต้อตอบบ้างด้วยปัญญาที่เห็นสมควรว่าพอเป็นไป อาจจะแรงบ้างแต่ก็ไม่ต้องมากต้องไม่อยู่ในลักษณะเฉยมากหน่อยถ้าละเอียดขึ้นมาทีนี้เขาอยู่ในเชิงที่เรียกว่าพวกนี้นี่มีความ ม, มีหิริมีโอตป่มีความระอายพอสมควรมีความคิดสูงละเอียดถ้าเผื่อว่ามันจนแต้มจนทางถ้าเผื่อว่าเนี่ยมีเหตุผลสู้กับเหตุผลกันจริงๆแล้วเขาจนแต้มเขาก็จงชะงักนิ่งงันได้ ถ้าคนในระดับที่พอพูดกันอย่างนี้แล้วละก็พูดกันด้วยเชิงชั้นพูดกันด้วยเชิงปัญญาสู้กันด้วยปัญญาสัจจะหาสัจจะมาอ้างมาอิงมายืนมายันมีเหตุมีผลเป็นเชิงของมนุษย์โศมนุษย์สู้มนุษย์ไม่ใช่ว่าเล่นข้างๆ ค, คู่กันเกินการ ถ้าเผื่อว่าใครมีอะไรที่เป็นเหตุผลเป็นความรู้เป็นปัญญาเป็นสัจจะที่เอามายืนยันกันได้เหนือกว่าก็จะชนะได้ก็จะยับยั้งได้จะมีแพ้มีชนะกันเห็นชัดๆอาคนถ้าอย่างนี้เราประมาณแล้วว่าเราจะทำเราก็จะสู้ด้วยปัญญาปฏิปชลิโตสุดท้ายจริงๆโดยการทำปัญญาปฏิปชลิโตหรือว่าจะใช้เชิง ที่จะสามารถปราบเนี่ยเมื่อคนชั้นสูงจริงๆแล้วเขามืดจริงๆอ่าเขามืดหรือว่าเขาเองเขามันไม่ไม่ไม่ไมเข้าใจจริงๆนะจิตที่มันหลงผิดจริงๆมันไม่ใช่หลงผิดทีเดียวแวมันยังไม่รอบทวนมันวนมันรู้แล้วมันก็ปนไปล้เธออย่างท่านอาจารย์ที่ฟังเมื่อเช้านี้ก็ได้นะ ที่เอาเทปมาฟังกันเมื่อกี้ท่านอาจารย์ที่เมื่อเช้าเนี่ยนั่นก็ท่านก็หลาอย่างวนวนอยู่อย่างเงี้ยเชิงปัญญาจิตใจดีนะที่จริงมีความตั้งใจดีแต่ว่ามันก็ยังมีมานะมีใจมานะมีใจยิ่งในภูมิในปัญญาในสัจจะในความรู้จอมโจรบัณฑิตเนี่ย บัณฑิตนี่เป็นผู้มีปัญญาเป็นความรู้พยายามที่จะต่อโต้ต่ อ, ต, อต้านในระดับนี้แหละต้องใช้ปัญญาประทีปัจฉริโตกันอย่างสําคัญใช้เชิงเหตุเชิงผลใช้เชิงสัจจะความจริงทํำยังไงเราจะแสดงความจริงให้สว่างให้เปิดเผยให้ฉลิโตให้ฉลิตะให้รุ่งเรืองจ้าจัดชัดเจนเราจะทําอย่างไรที่จะส่องประทีปส่องแสงสง่ง ให้เกิดรู้เกิดคนอื่นก็เห็นแสงคนอื่นก็เข้าใจคนอื่นก็รับได้ท่านก็ต้องรับได้แม้ท่านจะไม่ยอมจะมีกิเลสอย่างไรเมื่อคนอื่นก็เห็นแจ้งบอกอย่างนี้แล้วท่านก็มีปัญญามีปฏิภาณรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยเปิดเผย ม, มาขณะนี้คนอื่นเขาอย่างนี้แล้วชัดชเจนๆอย่างนี้ใครเขาก็ต้องรู้ต้องเห็นอยู่แล้วเราเองจะดันทุรังต่อไปไม่ได้มันต้องให้ถึงอย่างนั้นกันในขณะนี้เรากําลังทําอยู่อย่างยิ่ง เรากำลังทำกับคนชนิดนี้อยู่อย่างยิ่งเพราะว่าการกระทำอย่างนี้นี้คนในระดับชั้นที่เรียกว่าบัณฑิตในระดับที่เรียกว่าเป็นพวกที่มีปัญญาในสัจจวิหายาในเชิงปัญญานะปัญญาแท้ๆเดี๋ยวนันโทปนันทะนี่ไม่ใช่เชิงปัญญาละทนนี้ในเชิงอีกเชิงหนึ่งเป็นเชิงเจโตนะเชิงเจโตนี่บอกนาหน้าไว้หน่อยหนึ่งก่อนนะ อันนี้เป็นเชิงปัญญาคนเหล่านี้ถ้าพูดกันโดยธรรมาทิฐานแล้วก็เป็นพวกที่มีศักดิ์ศรีเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำกลุ่มนำหมู่เป็นเจ้าคณะเป็นผู้มีฤทธิ์มีแรงมีบริวาร มีอำนาจมาีมีอำนาจหรือว่ามาีมีสิ่งที่ยอมรับนับถื อ, อมีผู้คนรับนับถือไม่ใช่น้อยถ้าเผื่อว่าเราทำให้คนเหล่านี้เขายอมรับอย่างพระพุทธเจ้าท่านปราบนี่ท่านปราบท่านปราบคนที่เป็นเจ้าหมูเจ้ากลุ่ม แต่พร้อมกันสัจจะนิครนนี้ท่านก็ปราบไม่ลงนะหมู่สุดท้ายเขาก็ยังแยกเป็นลทัทธิของเขาแต่ว่าผู้ที่ใช้ปัญญาใช้สัจจะใช้อะไรอะไรสูงอย่างนี้แหละเราก็ปราบถ้าโดยความหมายจริงแล้วก็คือปราบแสดงสัจจะเหนือสัจจะโดยพยายามทํากับผู้ที่มีปัญญาสูงสูงเจ้าหมู่เจ้าคณะอย่างเจ่งเนี่ยมาเรียกว่าปราบชั้น หัวหน้าหมู่หัวหน้าคณะปราบนดินปราบฤาษีปรา บ, รา บ, รราบ อ, าอาจารย์ชั้นสูงที่มีกลุ่มมีบริวารมีเชิงชั้นถ้าได้ชั้นสูงนั้นแล้วบริวารต่างๆก็จะต้องยอมตามหัวหน้ามันได้มาอย่างพร้อมพลังเป็นการปราบชั้นสูง และเป็นการประกาศความจริงว่าไม่ใช่ปราบธรรมดาบอกแล้วว่านี่เป็นสงครามระหว่างเทวะกับอสูรเป็นการชนะเมื่อชนะโดยสัจจะโดยความจริงชนะไม่ใช่ว่าเราไปแกล้งชนะเราทําให้เห็นความจริงให้เห็นสัจจะที่แท้จริงให้เขาเห็นสัจจะที่แท้จริงให้เขาเจริญรุ่งเรืองขึ้นจนเขายอมรับว่าเขาแพ้จนเขายอมรับความจริงว่าเออสัจจะของท่านนี่สูงกว่าเรา เราขออาศัยขอพึ่งพาขอดําเนินรอยตามขอดําเนินร่วมด้วยอย่างนี้เป็นการปราบหรือว่าเป็นการกระทำต้องปราบชนะให้ได้ในเชิงชั้นพวกที่มีภูมิมีปัญญาเหล่านี้เพราะงั้นการแสดงจึงจําเป็นที่จะแสดงด้วยการสุขุมประณีตใช้ปัญญาอันยิ่งต่อต่อไปนี่มันมีแต่เชิงปัญญาปัญญาปัญญากันอย่างสําคัญ ใช้เชิงปัญญากันอย่างสําคัญในระดับจิตปัญญาในระดับปัญญาเนี่ยยิ่งจะกว่านี้ยิ่งจะต้องใช้สูงขึ้นไปยิ่งจะใช้ปัญญายิ่งขึ้นนะเพราะงั้นในขั้นตอนของผู้ที่ได้ปราบมารมาตแต่ระดับต้นๆไล่ขึ้นมาจนกระทั่งถึงความหยาบขั้นยักษ ขั้นเดรัจฉานขั้นที่เรียกว่าพวกที่ยังมันไม่หายเมานี่มันก็พูดยากพอปราบให้มันหายเมาได้โดยใช้เมตตาใช้ความเอ็นดูค่อยถอยทีถอยรักษาช่วยช่วยเหลือกันขึ้นมาจนกระทั่งเราปราบมาพยศปราบช้างปราบอะไรจระยามันซื่อใจมันง่ายพวกนี้ไม่มีเล่ห์เล่มากพอมันรู้ว่ามันเจอยอมแพ้โดยจริง เพราะว่ามันไอเรื่องปัญญาที่เหนือกว่าเนี่ยพอเราช่วยเหลือเฟือไฟเกื้อกูลอะไรเขาได้อย่างแท้จริงของพวกนี้ง่ายในการที่จะปราบนะเราทําได้เรื่อยๆมาแล้วพอมาชั้นสูงนี้แล้วมันต้องใช้ปัญญาไอพวกนั้นใช้ความพยายามใช้เวลามเมตตาสงสารช่วยเหลืออะไรแต่อะไ ร, ะไรมาแล้วก็ไม่ช้าไม่นานนักแต่พวกนี้นี่ยยึดมั่นถือมั่นในจิตวิญญาณเนี่ย ยึดถือศักดิ์ถือสีถือตนถือตัวถืออะไรกันอย่างสําคัญเลยนัเพราะงานในระดับสูงสูงอย่างนี้อย่างเราทํางานอันนี้เรามีตัวอย่างให้ดูมีตัวอย่างให้พิสูจน์มีของจริงและเราทํามาเสมอที่พูดอย่างนี้นี่พวกเราที่รู้ที่เห็นที่เข้าใจนี่ไม่จําเป็นจะต้องกล่าวชื่อกล่าวนามไม่จําเป็นจะต้องกล่าวครั้ง ในจำนวนศึกในจำนวนศึกที่เราได้รบรามาแต่ละครั้งแต่ละคราแมในขณะนี้ที่เรากำลังกระทำอยู่เรากำลังเปิดเผยความจริงด้วยกลวิธีกลยุธทธ์เชิงปัญญาเพื่อที่จะยืนยันชี้ชัดยกตัวอย่างเช่น เ, เราเองต่อสู้ตอนแรกต่อสู้ด้วยสภาพที่ว่าเราจะปฏิบัติการลดการละ การปฏิบัติกินมือเดียวอย่างนี้เป็นต้นการปฏิบัติไม่กินเนื้อสัตว์การปฏิบัติแต่งต้นแต่งตัวเครื่องใช้ไม้สวยโภชเนมนตันยูตาวิการะโภชนาต่างๆ ต, ต, ตามหลักศีลเนี่ยซึ่งศีลห้านะ่มันรู้กันมาดื่นพื้นทั่วและอย่างหยาบเขาก็ว่ากันไปแล้วซึ่งเราเองพูดไปมันก็ไม่เข้าใจในอธิศีลเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องขยบขึ้นมาหาศีลแปดทีเป็นหลักหยาบยาบเหมือนกันเอาหลักรูป จับยาพิกาลโพชน ะ, ะ, ช ะ, ะโพชนนมัตนัญญาอะไรพวกนี้เขามาประกอบอแม้แต่การลดในนัตจักขีตะวาทิตะมาราคันทวิเรรูปรถกปินเสียงแม้กระทั่งเครื่องใช้ที่ไม้สอยหรือว่าชั้นหลงใหญ่หลงโตรดเตียงรดต่างรมุ้งรดหมอนรถที่นอนที่นั่งรถที่อยู่มามีกระต๊อบมีอ ะ, อะไรต่างๆานานาเ น, น, นี่เป็นกลวิธีเชิงฉลาดทั้งสิ้น ที่เราได้ต่อสู้มานี่ยกให้ฟังตามระดับไล่มาเรียงมาตลอดเวลาและเราเองเราก็ไม่ใช่ว่าเรามาทำอย่างนี้เป็นเพียงแต่เครื่องต่อสู้เพื่อเป็นเล่ห์เป็นเล่ห์เปล่าเราพึงปฏิบัติตามศีลนี่แล้วเห็นผลเห็นวิมุตต์หลักนี้ไม่ใช่หลักลอยเป็นหลักศีล เป็นหลักศีลเป็นหลักที่เป็นไปแล้วเป็นไปดีเมื่อเราทําได้เป็นปกติแล้วเราอยู่ในหลักอย่างนั้นเป็นมนุษย์ประเสริฐเป็นสมณะผู้สงบด้วยกิเลสไม่ต้องไปดิ้นรนอีกเพราะฉะั้นหลักศีลถ้าเราเป็นไปได้แล้วมันเป็นเลยไม่ใช่พอได้ศีลแล้วแล้วก็ไม่มีศีลไม่ใช่ได้ศีลแล้วไม่มีศีลเอ้ไม่มันได้ศีลแล้วไม่มีศีลภาษาได้แล้วก็ไม่มีเอ้ได้แล้วไม่มีแล้วมันได้ไปไหนอ่ะ นะได้แล้วไม่มีได้แล้วโยนทิ้ง่งั้นเอเพราะสัจจะได้แล้วมันได้เลยได้แล้วมีโดยสัจจะที่สูงขึ้นไปอีกได้แล้วแจกยิ่งแจกยิ่งงามซะด้วยได้แล้วเนี่ยของที่เป็นที่ตัวแล้วนี่ได้แล้วมีได้แล้วเป็นที่ตัวเราได้แล้วยิ่งแจกออกยิ่งจ่ายออกยิ่งงามซะด้วยยิ่งเหมือนกันได้ขัดได้เกลาอีกได้ซ้า ยิ่งควักให้ยิ่งรู้สึกยิ่งขัดยิ่งในกรับการทําได้จำชัดยิ่งขึ้นหรือว่าสูงยิ่งขึ้นยิ่งซ้ํายิ่งซากยิ่งควักบ่อยๆยิ่งจําได้แม่นยิ่งเห็นเหลี่ยมเห็นมุมชัดเจนยิ่งเห็นจุดบอกจุดพร่องชัดยิ่งเห็นรอยลึกยิ่งเห็นความลึกความซึ้งความใสความโปร่งยิ่งแทงยิ่งทะลุเข้าไปไกลๆๆลมันเป็นอย่างนี้นี่สัจจะมันเป็นอย่างนี้ ทันทียกตัวอย่างเข้ามาประกอบยกนิทานยกอุทาหรณ์ยกเรื่องขึ้นมาประกอบเมื่อกี้ว่าเราได้กระทำงานพวกนี้มาโดยประพฤติปฏิบัติโดยหลักการต่างๆพวกนี้เป็นสัจจะที่เราต้องเอาสัจจะแห่งสัจจะโดยปัญญาด้วยเอามาแล้วเราก็เอามาอธิบายกิน ม, มือเดียวดียังไงคนคว้าหลักฐานมีหลักธรรมมีอิงธรรมอิงวินัยด้วย มีปัญญาด้วยมีหลักการอะไรต่างๆนา น, นาตลอดเวลามาพิสูจน์ยืนยันแม้ทางทางรูปวัตถุมือเดียวมันเจริญอย่างนี้ดีอย่างนี้ถ้าเราปฏิบัติมาแล้วมันไม่ใช่สัจจะมันไม่จริงคุณมากินมือเดียวเนี่ตายเนี่ยผอมแห้งแรงน้อยกระโหลกกรเลยโอ้แล้วลี่ยจับมาทํางานถ้าคุณกินมือเดียวเหมือนอย่างพระสัจจงวิหายะบางพวกน่นว่าเขานั่นคือพระผู้เจริญบางจําพวกนะ ท่านก็กินก็อยู่มือเดียวแต่ท่านกินอยู่มือเดียวไม่เหมือนคุณอะท่านกินอยู่มือเดียวแล้วท่านก็นอนเดี๋ยวช้าก็เอนกินเสร็จแล้วเพนก็นอนบ่ายพักผ่อนกลางคืนก็จําวัดท่านอาจจะดีนะท่านอาจจะไม่ดูทีวีละท่านก็เป็นพระพรุยท่านก็เป็นสภาพอ้วนฉุนอย เพราะท่านไม่จะ้จ่ายพลังงานอะไรมากนักมันก็เป็นไขมันมันก็เป็นเนื้อเป็นหนังอะไรมากขึ้นแม้จะกินมื้อเดียวเหมือนอย่างเราและดูถ้าเผื่อว่าเอากันจริงแล้วลราก็ไม่รู้อาจารย์จะกินปลาหนงปลานะอะไรอะไรอันตายอีกแล่มากน้อยกว่าอะไรก็แล้วแต่ยังเป็นซ่อนเป็นแฝงเป็นเชิงเป็นเล็ดเป็นเล่เป็นผสมระเสมอะไรอีกมันก็จะเป็นที่จะต้องทําให้ท่านรูปร่างของท่านเป็นพวกวิรูปัก เป็นพวกพิกลพิการหน่อยมันไม่สมบูรณ์นะอันนี้กินมือเดียวทีนี้กินมือเดียวที่มันไม่มได้เรื่องเลยทีนี้กินแล้วก็ยังมีจิตหิวโหยเป็นพวกเป็นโรคในความหิวโหอยอดอยากใจมันร่ำร้องต้องการมันอดมันทนกินเละไม่ได้ก็เป็นโรคก็เพราะเป็นโรคอะไรตาอะไรที่จะเกิดภาวะมาจากจิตเป็นเหตุใหญ่ก็ทำให้รวนเรหมดเลยเรียกว่าในสรีระระบบ ต่างๆมันก็ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้อีกมากพวกนี้ก็ผอมไปเลยแน่นอนผอมไปเลยไอ้อ้วนก็อ้วนไปไอ้ที่ผอมก็ผอมไปเลยก็มีนี่ก็เรียกว่ามันไม่ลงตัวมันบกพร่องทีนี้ความจริงมันมีว่าถ้ามันได้ดีจิตใจก็ได้ปัญญาจิตใจก็ได้ด้วยมีโรคจิตทั้งนี้ด้วยแล้วอาหารการกินเรากินเข้าไปพอเหมอพอสมรู้จักการประมาณแล้วเราก็ใช้สอย ทำงานทำการหมุนเวียนอยู่เป็นไปพูดก็พูดเถอะจะหาว่าชมตัวเองเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายที่เข้ามาไล่เลียงมาตั้งแต่มีตัวอย่างเป็นตุม่มอย่างเบเร่บาราขนาดซิมขนาดคุณสำอางนะแล้วเราก็มาจับปรี้ลงมาได้มาปฏิบัติจริงสิมาเอาเข้ามาจริงๆเนี่เห็นผลลงมาคนอื่นอ่อีกนี่ยกตัวอย่างที่ชัดๆัดเด่นเด่นะ ตัวอย่างที่ชัดๆเด่นๆมันลดลงมาคนที่ผอมมีตัวอย่างเยอะแยะหลายคนแต่ผอมเนี่ยมันไม่เหมือนอ้วนมันอ้วนมันอ้วนได้ใหญ่ๆแล้วมันลดลงมาเห็นชัดไอ้ที่ผอมเนี่ยขึ้นมาเราไม่ได้ไปเป็นคนอ้วนเราเป็นคนสมบูรณ์พอดีคนอยู่ในสัดส่วนมัชชิมาปานกลางนะมันก็เลยยกตัวอย่างก็เลยมันมากนี่คนผอมแล้วก็ขึ้นมาปร ะ, ประมาณพอดี มันไม่เลยไม่มีใครเด่นเหมือนก็อยากที่ยกตัวอย่างอย่างซิมอย่างคุณสัมพางนี้มันเด่นแล้วมันรู้ได้เห็นได้ชัดนะว่าลดลงมาได้แล้วมันก็พอดีเบาง่ายสบายโปรง่งร่างกายแขงง็งแรงทํางานได้คล่องมากขึ้นกว่าเก่าไม่ได้ทํานิดทําหน่อยก็เหนื่อยโอ้อย่างซิมเนี่โอ้แต่กล่องว่าเดึงไปสักกิโลกิโลจากกิโลเลยมาเลียวเลี้ยก็เดิงไม่ลายแล้วกินนองตรงนี้นะกิงเสศษนองตรงนี้ตรง น, รงนี้ตรงนี้มือนจะขาดแกบอเหมือนจะขาดจะขาด เด็กินอีกแล้วได้กินอีกแล้วเดี๋ยวนี้สบายสบายของแกเราฟังทีไรแล้วมันก็ซึ้งกันไปถึงสวงอะไรอย่างงี้มันเป็นจิตจริงแล้วมันเห็นผลจริงแล้วมันเป็นระบบจริงนะเป็นไปได้แม้ผอมก็มาอ้วนกินมือเดียวมาอ้วนนี่มันน่าง ง, งไอมาจากแต่ก่อนกินหลายมือแล้วก็จากอ้วนอวนแล้วก็มานเลากินมือเดียวผอมเขาก็ไม่งงแล้วเพราะว่ามันไม่มีสภาพซับซ้อน มันไม่มี ส, ส, สภาพเชิงซ้อนอะไรจะชวนงงนักมันสอดคล้องดูดีอยู่มันก็เข้าใจง่าย <c oughs> ไอ้คนผอมแล้วมากินมือเดียวกลับอ้วนนี <c oughs> ่เฮ้ยภาษาอะไรนะนี่พูดภาษาอะไรมันทวนกระแสมันย้อนแยงอ่ามันย้อนหลายผู้หลายคนในที่นี้มาปฏิบัติตนอนแรกแดกต่อสู้ยังไม่ลงตัวทางจิต มันต่อสู้จิตมันยังไม่ลงตัวมันยังกลัวมันยังเกรงมันยังวันมันก็เป็นโรคในจิตมันก็ยังไม่ถูกระบบมันเป็นจริงนะพอมาปฏิบัติอย่างพอสบายเข้าใจไม่วันไม่เกรงยิ่งมีหมู่มีกลุ่มยิ่งมีพวกมีพักไปกันได้อะไรตอนี้มันก็วางใจเอ้ยมองไปที่ไหนคนก็ไม่เห็นเป็นอะไรเนี่ยเขาก็มีเขาก็ได้เขาเราจะไปอะไรแก่เขานักเราจะไปด้อยอะไรกับเขานักมันก็เห็นแล้วมันก็ ชักจูงมีหมู่ดีมิตร ด, ดีสหายดีเพื่อนดีนาพากันไปเข้าใจได้ง่ายๆแล้วก็เป็นไปได้สบายใจและไม่มีปัญหาอะไรมากมันก็ได้แล้วมันก็เชื่อมันม่นเมื่อเห็นจริงก็เชื่อมันม่นก็เป็นไปไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินมากก็กินกันมื้อเดียวไม่ต้องไปกินเล่นกินหัวใช้น้าํนปาปลาล้งปลาหน้าก็ต้องก็แตงอะไรอยู่อีกต่างๆนั้นๆไม่ต้องได้ได้จริงๆแม่เป็นคารวะ แล้วก็จะทําให้เราเบาง่ายว่างเห็นชีวิตที่ปลดปล่อยปลดปล่อยลงไปจริงๆแม้การแ ต, แต่งเนื้อแต่งตัวการใช้เข้าใช้ของการพึ่งพาอาศัยสิ่งที่รุงรังเตงอะไรต่างๆ น, น, นานามันทําให้ปลดปล่อยมันทําให้วา่างเบามันทําให้ดิบดีขึ้นมาเราต่อสู้ในไตรยะอย่างนี้เราต้องหาเหตุผลใช้ปัญญาปฏิปชลิตโตต้องใช้ปัญญาน ะ, ะเพื่อที่จะยืนยันเพื่อที่จะ อธิบายเพื่อที่จะชี้แจงประกอบแม้สภาพจริงก็มีด้วยปัญญาก็ต้องใช้อย่างสําคัญไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่ไม่มีหลักไม่มีฐานพูดไม่ออกบอกไม่ถูกมีเหตุอย่างไรผลอย่างไรไม่ใช่มีเหตุมีผลมีหลักมีฐานมีอะไรจะใดพิสูจน์ยืนยันเนี่ยขณะนี้เอามาเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งอะไรจะใดแหม่ได้ระดับน่ะ มันพอเหมาะพอดีได้รูปได้ร่างมีสวดมีทรงมีขนาดอย่างพอเหมาะพอสมนี่ก็เป็นการใช้ภูมิใช้ปัญญาพิสูจน์จนเขายอมแพ้เขาไม่กล้าต่อสู้เห็นด้วยเห็นดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นผู้รู้ดีหรืองผู้ที่ยืนยันสัจจะที่เขาเองเขาเห็นเขา เป็นไปนี่มีมากจนกระทั่งเรามาแสดงสัจจานี้เหนือขึ้นมาเหนือขึ้นมายืนยันยืนหยัดได้ขึ้นมาเรื่อยๆจะเห็นได้ว่าปราบสัจจะนิครนี้ขึ้นมาเรื่อยๆจริงๆแม้แต่เจ้าหมู่เจ้าคณะจะยังมีมาน่าจะมายังไม่ได้อยู่จริงก็เออ อ, อหอมกอ่ะก็ดีก็งั้นก็เอาแต่ก่อนนี้เสียงเล่าเสียงลือเสียงโอ้ยนอกรีนอกร้อยพวกทรมานตนอตัตตกะเรมาานุโยก โอทรมานมันทำอะไรเกินการเขาไม่ทำก็ลองอย่างนั้นทำไม่ได้ยิ่งเป็นคารวนแล้วโอยไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้เปคารวงคารวะแล้วนี่พระก็พระไปท่านบำเพ็ญของท่านไปต่างหากมีบารมีบางองค์บางองค์ไม่จำเป็นนไม่ต้องรักทำอะไรกันถึงปานนั้นต่างๆนานานะคำพูดอย่างนี้คืออะไรคือจอมโจรบัณฑิต คือการใช้เล่ใช้เล่แฝงคือการพูดไม่ที่พูดเมื่อกี้นี่นี่ย้อนทวนให้ฟังให้คุณคิดตามย้อนใหม่เขาไม่ทํา ก, ก็ลองยังงอย่างงี้เกินการไปโนในนี่อะไรต่างๆนั้นน่าผิดแปลกไม่เข้าเรื่องเข้าราวทรมานตรงทรมานตัวผิดรูปผิดเรื่องเรายืนยันลงมาว่าพระพุทธเจ้าสอนมไม่ชันมือเดียวพระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้ชันเนื้อสัตว์ พระพุทธเจ้าไม่ได้แห่เอามาบุ่นวายในเรื่องผ้าเรื่องเสื้ออะไรมากมายพระเจ้าไม่ได้พาเล่นดอกมงดอกมงดอกไม้ไม่ได้พาเล่นกันไปเรียนรู้ได้ร้าไปปลูกสร้างก่ออะไรกันมาส เ, เสวยเสพเป็นบรรลังกแอบแฝงสร้างเรือนสร้างวังอะไรอยู่อะไรต่างๆนานามีเล่มมีเล่อะไรต่างๆนานาเราได้พยายามแสดงปัญญาปาัจฉริโต ฟังดีๆจะรู้จะเห็นจะเข้าใจพยายามพูดพยายามอธิบายพยายามใช้เหตุผลจุดสว่างคนทั่วไปรู้ได้เจ้าตัวก็ต้องรู้ได้จนจำนวนจำนวนยอมรับเหมืนมันยอมรับเพราะมันเห็นมันเข้าใจแต่ก่อนนี้ไม่มีใครยืนยันยืนยัดเรายืนยันยืนยัดแล้วเราก็พยายามทำให้ยิ่งสว่างยิ่งขึ้นยิ่งสว่างยิ่งขึ้นขณะนี้เรายังไม่ทันไม่ได้จุด ไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดการจุดประทีปสว่างไม่ได้หยุดการจุดปัญญาปฏีปัชริตโตเลยเรายังไม่ได้หยุดเลยเรายังจะต้องศาสตร์สองจุดสว่างในงานการที่เราช่วยกันทําร่วมกันทำนี่คือการจำนวนเขาทำพุทธทาสอะไรนะี่ยให้ของสองตะเกียงหรืออะไรสจำนวนพระพุทธทาสอะ แจกของแจกของส่องตะเกียงเรากําลังส่องตะเกียงเรากําลังจุดประทีปปัญญาปทีปัชลิโตทําอยู่เรื่อยนีย่เราช่วยกันตลอดเวลาเรามีงานหลักโดยเฉพาะเราเรียกกันว่าทําหนังสือเนี่ยการทําหนังสือของเรานี่แหละคือการจุดปัญญาปฏีปัชลิโต ใครจะได้ร่วมมากร่วมน้อยอย่างไรก็ตามตั้งแต่คนอยู่ข้างนอกๆส่งเงินส่งทุนส่งรอนเอามาอดนุนไปเป็นรายเดือนรายปีอะไรก็ตามใจาบางทีก็หอบมาเป็นกรอบเป็นก้อนมาช่วยกันพิมพ์ช่วยกันซื้ออุปกรณ์ทำโน่นทำนี่อะไรออกไปแล้วเราก็ไม่ได้ค้าได้ขายอะไรก็รู้ๆกันอยู่แล้วแล้วแหมพวกเรานี่ขายดีซะด้วยนะพอบอกว่าไม่ค้าก็พูดขายซะอีกอ่า ก็เราไม่ได้ค้าได้ขายจริงๆแต่คําว่าขายดีนี่เป็นโวหารเป็นสำนวนคือจ่ายนะ่ะจำนายนะ่ะจ่ายหรือจำนายนี่ก็ภาษาเดียวกันอีกแหละจำนายจ่ายแจกเนี่ยจำนายจ่ายให้แพร่ไปให้คนได้รับได้รู้ได้ศึกษาได้จุดประทีปปัญญาทำให้สว่างแจ้งรู้ ทรงแจกแผ่ออกไปตลอดเวลานี้ด้วยคิ ด, ด้วยการจุยแรงประกอบด้วยวัตถุด้วยปัญญาช่วยกันคิดช่วยกันค้นด้วยช่วยกันประติปตอ่อสร้างใครเป็นหัวนําก็นําใครเป็นผู้ที่ร่วมตามกันได้คนละไม้คนละมือกระทาประกอบกันอยู่เนี่ยต่อไปเราก็จะทําให้ยิ่งยิ่งขึ้นกว่านี้ขณะนี้ก็ดีอยู่ที่ไม่แข็งกันเกินการ และก็ควรจะสํานึกว่าเราไม่ต้องแข่งกันเกินการถ้อยทีถ้อยช่วยกันคิดช่วยกันทําช่วยกันประสมช่วยกันปรับปรุงอย่าให้เกิดการทะเลาะเบาแวงอวดดีในตัวเดี๋ยวมันก็พังประเดี๋ยวก็เกิดจิตกิเลสที่มันยังเหลือเป็นมานะสังโยชน์ตัวปลายมันถือดิบถือดีถือตนถือตัวถือใหญ่ปรเดี๋ยวก็ทะเลาะเบาแวงกันรุนแรงแล้วก็แตกสลายไม่เป็นพลังรวม มันมีแกน ร, ร่วมมันยิ่งใหญ่กันอยู่ดีแล้วพวกเราเนี่มีกันอยู่ดีแล้วแล้วก็พยายามช่วยเหลือเฟื่อฝายกันคนนั้นคนนี้เคารพนับถือในความคิดความเห็นของทุกๆคนด้วยอันไหนไม่ดีอันไหนดีอะไรก็พยายามรับรู้กันไปทำทำฐานะขั้นตอนบ้างด้วยความจริงที่จริงด้วยเอาให้ชัดให้เจนแล้วเราก็พยายามช่วยกันสนับสนุนกันก็ทําอยู่นี่ตลอดเวลา สิงเล่านี้มีหลักฐานยืนยันมีของจริงยืนยันว่าเรากําลังจุดปัญญาประทีปเรากําลังกระทําปัญญาประทีปชลิโตให้มันสว่างให้มันแจ้งออกไปเรื่องนี้โลกสว่างขึ้นนะสังคมสว่างขึ้นนะพวกคุณไม่ได้อ่านจดหมายตอบมาจดหมายอะไรอะไรที่เราให้เขาพยายาม ให้เขาบอกความจริงให้เขาบอกความรู้สึกให้เขาบอกผลที่เขาได้รับได้อะไรแต่ไรบ้างแค่นี้เราก็จะได้รู้เป็นเครื่องเช็คเป็นเครื่องที่จะได้ประกอบเชิงไหนเขาจะสนอะจะแนะนําอย่างไรหรือว่าเชิงที่มีความเห็นอะไรเพิ่มเติมขึ้นบ้างอะไรต่างๆนานาเราจะได้เอามาปรับปรุงแก้ไขทําให้ปัญญาปฏิบี้สว่างขึ้นกว่าเก่าทําให้มันมีริษมีแรง ให้มีเรียมมีมุ ม, มให้มีเชิงเหตุเชิงผลให้มีเชิงอย่างแทงถึงสัจจะลงไปด้วยอะไรแต่ออไรก็ตามใจมีอ น, นุน้ประกอบกันขึ้นมาต่างคนต่างรับต่างตอบต่างตอบต่างรับกันขึ้นมาเราก็จะได้ข้อมูลได้เหตุได้ปัจจัยได้อะไรแต่ไรต่างๆนั้นขึ้นมากระทำพร้อมกันนั้นในตัวพวกเราเองเราก็ทำตัวเราเองให้เกิดปัญญาประที่อยู่ในตัวในตน ประพฤปฏิบัติไปทุกวันศึกษาไปทุกวันในราจุดปัญญาประที่ไติตินเมื่อตัวเราเองมีจริงเวลาได้พบได้สัมผัสกับคนนั้นคนนี้แม้แต่คุณเองพบกับจาตกับโยมคนนั้นคนนี้ก็มีเวลาได้คุยได้พูดได้แจกแจงได้ถามถ่ยได้ตอบกันแม้แต่ถามความเป็นอยู่เป็นยังไงเรามาอยู่กี่ปีแล้วมาอยู่ยังไงละ่ะทำไมมาอยู่ละ่ะมาเป็นไงมองเห็นยังไงอะไรอะไรยังไงต่างๆนานาล้วนแล้วแต่ช่วย ช่วยเกิดปัญญาให้เกิดความรู้ให้เกิดความเข้าใจเราพูดเรามีเหตุมีผลมาทําอย่างนี้เพราะอันนี้อันนี้ น, นี่ต่า ง, า ง, างๆนานาเราเห็นมันเจริญมันดีอะไรต่างๆเป็นเชิงปัญญาประทีปพึงศิษย์นะและมีอภินิหารหรือว่ามีปาฏิหารมีเรื่องอัศจรรย์มหัศจรรย์แปลกแปลขึ้นมาอย่างที่เราเป็นเป็นกันอยู่ คนที่มานี้เป็นคนที่รู้ว่าเรามาดีเรามาเพิ่มฐานเรามาเพิ่มภูมิเราจะเรินมาไม่ใช่อื่นเลยไม่ใช่ไม่มีทางจะไปเหมือนอย่างที่เขาเป็นกันอยู่เดนนี้เออไอ้ลูกคนนี้มันไม่มีทางจะไปเราจับมันส่งเข้าไปบวชเถอะมันช่วยตัวเองก็ไม่ได้บางคนพิกงพิการบ้างบางคนมันสมองไม่ดีบางคนบา้บาบอจับเข้าไปบวช อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เข้าใจโดยไม่เข้าใจอย่างจริงเลยว่าศาสนานี่คืออะไรที่คนกราบเคารพเค้าไหว้แต่ว่าตัวเองแสดงเหมือนอย่างตัวเองมีเมตตาจะยกตัวอย่างให้ฟังประสกเขียนเล่าออกมาว่าตัวเองนี่ได้ไปช่วยบวชแหมบวชบวชเนร เนนี้เป็นคนไม่เต็มเต็งดูเหมือนจะมีบวชพระก็มีไม่เคยเต็มเต็งหรอกแต่ว่าเอาเถอะก็ให้บวชอาศัยนี่ถือว่าเป็นบุญของาศาสนาที่ได้อุ้มชูช่วยเหลือเป็นเมตตาการุณาเกื้อกูลมนุษย์โดยความคิดของประสบเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ละจอมโจบรบัณฑิตไม่เข้าใจาศาสนามีปัญญาไม่น้อยนะ แล้วก็เอาเชิงนี่เมตตาเกื้อกูลนี่แล้วเขาก็ไปบอกว่าเป็นลายเนนขอเป็นอุปถัมภ์นาดหรืออะไรบอกหนังสือนังหาอะไรจะให้เขานี่ได้เรียนได้รู้ได้พยายามศึกษาได้มีความเป็นไปเจริญงอกงามอยู่ทั้งโลกไม่มีใครช่วยเนี่ยโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนทงางศาสนาเนี่ย มันช่วยเขาเองเขาก็ได้อันนี้เขาเห็นใจใจของตัวเนี่ยไปเห็นใจคนอื่นนึกเกินเพราะเขาเองเขาเป็นคนจนเป็นคนชาวบ้านชาวนาได้มาบวชแล้วได้ศึกษาแล้วก็จนกระทั่งได้วิชาความรู้นี่มาเลี้ยงตนเลี้ยงชีพอยู่เงี้ยเดี๋ยวนี้เขาก็แหมดีใจดีอกดีใจแล้วก็ได้ปัญญาอย่างนี้มาจริงๆเสร็จแล้วมันเป็นการทําลายซ่อนลงไปในาศาสนาตรงที่ไม่รู้จักเป้าหมายศาสนาที่แท้จริง จนเอาเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องพ ร, ระพุทธเจ้าไม่ได้เอาคนบ้ามาบวชไม่คนกราบคนที่มาบวชนี่เป็นคนดีถ้าจะมาดีๆแล้วมาบวชเป็นบ้าไปก็ต้องอยู่ในาศาสนาก็แล้วไปวเรารู้ไม่ได้คนจะมาบ้าตอนไหนแต่คนบ้าแล้วไม่ให้บวชคนที่ไม่เต็มเต็งอาการ32ไม่ครบบวชไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นหรือคนพิการอย่างอื่นอย่างใดนะ เขาเรียกอะไรเขาเรียกเบาเต็งหรือเขาเรียกอะไรก็เ ข, เขียนในจำนวนบอกเป็นคนนั่นแหละคือไม่เต็มเต็งอ่ะไม่สมบูรณ์บบ่บ่บ่บ่ บ, บ่่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่่บ่่บ่บ่บ่บ่บ่่บ่่บ่บ่บ่บ่ร่รรรรรบ่บ่บ่บ่บ่บ่่บ่่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บบ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่า่บ่บ่บ่บ่บ่บ่บ่่ เพื่ออะไรเพื่อกบเกลื่อนเชิงของตัวเองกบเกลื่นให้มันเป็นเชิงของตัวเองว่านี่แหละศาสนามีเท่านี้คุณธรรมนะช่วยเหลือให้คนได้เลี้ยงตัวอยู่รอดในสังคมเพื่อมีอยู่มีกินมีพอเป็นไปในสังคมเท่านั้นเองหาได้เป็นโลกุตรธรรมไม่ไม่ได้เข้าใจแล้วว่าเป็นการเสนอชั้นเหนือที่เหนือที่เหนือที่เหนือขึ้นเพราะการที่ให้คนมากราบนี่มันไม่คานแยงกันตรงที่ว่าเมื่อเราเป็นคนดีจริงแล้วเ ข, เขาเข้ามากราบเนี่ย เรามีศีลมีธรรมมากกว่าเขาจริงๆอย่างน้อยในปัจจุบันนั บ, บนวันๆเนี่ยเราก็มีศีลมากกว่าคารวาะอย่างน้อยศีลเสมอกันในทางรูปธรรมถ้าผู้ใดยังบกยังพร่องผู้นั้นก็บาปเองให้คารวะเขากราบแต่คารวะเขามีศีล ม, มากกว่าก็บาปเองส่วนตัวเพราะฉะนั้นเมื่อมาบวชแล้วมาเป็นพระแล้วี่จะต้องพยายามให้มีศีลที่สะอาดบริสุทธิ์เหนือเขาวันหน้าของพระนี่ประกอบไปด้วยศีลศีลเป็นเครื่องวัด สีนั้นหลักต่างๆคือความบริสุทธิ์มาในสิ่งที่ท่านสีนที่ท่านห้ามที่ท่านไม่ให้ทําอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรไม่ดีละเว้นมาได้มันดีปฏิบัติให้ถูกต้องให้ลงให้ลงตามที่ท่านว่าห้ามก็อย่าไปทําอันใดที่ท่านสนับสนุนให้ทำจงทำํำนะมัะมันมีอะไรซ่อนซ่อนแฝงแฝงมีเล่ห์มีเล่ห์มีเรื่องมีราวมีอะไรอยู่อย่างนี้แหละในยะดังกล่าวนี้แหละเรียกว่าสัจจะวิท ย, ยะ เป็นฐานที่เรียกว่าต้องสู้กันด้วยเชิงปัญญาเขาก็พยายามใช้ปัญญาใช้การโปรกำกันด้าใช้การโฆษณาเผยแพร่ชักจูงชักชวนให้คนรู้คนเห็นในคนเข้าใจยืนยันยึดถือตามหาพักหาพวกหาหมู่ที่จะยืนยันถือข้างถือพวกเหมือนกันเป็นอย่างนั้นนะไอ้ที่เราก็ทําเรื่อยขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเนี่ย ย, ย, ยืนยันยืนหยัดจนมีหมู่มีกลุ่มจนมีผู้ที่ได้พิสูจน์แ ล, แล้วเราก็เทียบเคียงอิงหลักอิงธรรมของพระพุทธเจ้าเอามาอธิบายแล้วพวกที่เขาศึกษาโดยปัญญาประเภทที่ใช้ปัญญามากๆใช้เหตุใช้ผลอะไรๆอย่างอาจารย์เมื่อเช้านี่องค์เมื่อเช้าที่เอามาพูดเอาเทปมาฟังกันอย่างนี้เป็นต้นศึกษามากแล้วเป็นคนที่ชอบในการศึกษาค้นคว้า ม, มากแต่เสร็จแล้วไม่คลี่คลาย แล้วก็พยายามอธิบายกลบปฏิบายเกลื่อนอธิบายเพื่อที่จะเอาประเด็นแต่ละประเด็นมาตีไปตีไปวกวกวนวนอย่างไรก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รู้ลึกซ้อนไม่รู้ลึกซึ้งซ้อนมันไม่สอดคล้องโดยนัยยะที่ว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นนัยยะที่ไม่ค้านแย่งกันในตัวอะไรส่งเสริมสนับสนุนกันในที คนที่จะเกิดความรู้ในภาวะคัเพีวราวพาโซสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนที่สอดร้อยแล้วก็สอดคล้องกันไปมันมีขัดกันคล้ายๆขัดกันเล็กๆน้อยๆแต่ส่งเสริมขัดกันแล้วก็ส่งเสริมส่งเสริมไอ้สภาพนี้พูดให้ฟังได้เท่านี้นะพูดในฟังได้เท่านี้คุณสังเกตสังเกตเถอสังเกตแล้วก็เรียนรู้ไปแล้วก็จะเห็นสภาพที่พูดนี้ได้เป็นธรรมะอันไม่มีตัวตนเป็นอัก รูปหรือว่าเป็นนามธรรมมันมีอยู่จริงในธรรมะและมันก็ขยับขยายสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้ น, นละเอียดละออขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะมันแม้แต่สูงขึ้นมาจนเราเกิดปัญญากันอย่างเห็นแจ้งยืนยันชัดเจนจนแน่นอนว่าพวกที่คุณมาเนี่คุณไม่ได้มาอย่างที่ทั่วๆไปเข้าใจว่าคนที่มาบวชคือคนสิ้นไร้ไม้ตอกอกหักอกพังมาบ้างไม่มีจะอยู่จะกิน แต่ก่อนมาบวชนั้ น, นไม่มีอะไรแล้วเข้าของเงินทองทรัพย์สินศักดิ์ทางโลกไม่มีอะไรก็มาหาทั้งนี้ไปเพื่อที่จะได้ได้ ไ, ดไดแล้วจะได้ศึกออกไปแล้วก็ไปไ ป, ไ ป, ไปหากินทั้งโลกไอ้อย่างความรู้ทั่วไปเขานึกอย่างนี้เหมือนอย่างประสบที่ว่านี้นี่ไม่ใช่พูดประสบเอาประสบขึ้นมากล่าวนี้เพื่อที่จะโกรธเครืองประสบ ก, ก็เปล่า แต่ว่าเขาเป็นตัวอย่างและก็เป็นเหตุปัจจัยที่จําเป็นที่จะต้องขอยกไม่มีตัวอย่างไม่มีอุทาหรณ์ไม่มีนิทานไม่มีตัวตนบุคคลพิสูจน์มันรู้ยากมันยากเหลือเกินนะอัตมาก็ไม่เก่งเกินกว่านี้ที่จะพูดโดยไม่ต้องยกอ้างยกอิงไม่ต้องเอาคนนั้นคนนี้มาพูดไม่ต้องเอาหลักฐานนั้นนั้นนี้มันไม่เก่งพอก็ไม่รู้จะทํำยังไงอยากให้รู้จําเป็นเว้นวิบากเหมือนกันน่ยแต่ก็ต้องจํายอม เดี๋ยวนี้ยิ่งมีเครื่องไม้เครื่องมือนี่อัดเสียงไว้แล้วประเด็กก็ยินถึงหูในยินถึงหูก็โกรธก็เครืองอะไรต่างๆนานาใครโกรธใครเครืองก็ทุกอยู่ทุกคนถ้าใครไม่โกรธไม่เครืองใครจะว่ายังไงเราก็ว่าไปสิแต่พูดถึงทําถึงจริงเราจะไปโกรธอะไรใครจะว่ายังไงก็ว่าไปจริงหรือไม่จริงกันแล้วแต่ถ้าเขาพูดจริงก็มันก็เรื่องดีอ่ะถ้าเขาพูดไม่จริงก็บาปของเขาเวรของเขาถ้าเราจะมีปัญญาปฏีปัชริโตที่เราจะ ว่ากันในเหตุผลเหมือนกันในใจดีเหมือนกันก็ว่ามาสี่ประกาศไปเผยแพร่ไปว่านี่ว่าฉันนี่ใส่ความฉันอย่างนั้นอย่างนี้ก็แก่ไปต่างคนก็ต่างแก่ถ้าจะแก่ถ้าแก้ไปจนกระทั่งสุดท้ายแก่ไม่หลุดแล้วก็ยอมจำนวนก็จำนวนกันถ้าไม่ยอมจำนวนจะแก้เลยเลยแก้จนกระทั่งวนเข้ามาจนกระทั่งคนอื่นเขามองเห็นแล้วว่าเออยนี่มันงูกินหางแล้วนี่นี่มันวัวพันหลักแล้วนี่มันยุ่งแล้วนี่มันไม่เข้าเรื่องแล้วนี่ มันข้านแยงตัวเองในตัวแล้วนี่ผู้มีปัญญาเขาก็จะรู้เองเพราะเรารบรากรนในรบราได้ปัญญาแล้วที่กล่าวนี่ก็ไม่ใช่อย่างคนหยาบคนคายไม่ใช่คนตื่นตื่นอะไรเป็นเรื่องของปัญญาว่ากันไปได้เหตุผลใครก็มีสิทธิ์จะว่าใครได้ถ้าจะว่ากันจริงแล้วแล้วก็นอกจากว่าจะต้องระวังระวังหน่อยละปาเถือนมันมีไปว่าวาาว่าเขาปเดี๋ยวก็เอากระบองมาตีกระบาลเท่านั้นเองอ่า เดี๋ยวนี้มันจะใช้กระบองแล้วเดี๋ยวนี้ใช้มีใช้ปืนใช้อาวุธนิวเคลียร์มันถึงขนาดนั้นแล้วรั้นผู้ที่มาพิสูจน์นี้ที่นี่จึงเป็นตัวสัวจจะที่จริงว่าคุณมีแล้วคุณมาลดคุณมีบ้านมีเรือนมีเข้ามีขอมีทรัพย์สมบัติได้ซ้ําในหลายคนแม้บางคนจะไม่มีก็ไม่ได้มาในฐานะอย่างที่จะมาเรียนมารู้เอาเอายศเอาศักย์ เอาชั้นเชิงฐานะคือเอาวัตถุลาภเพื่อที่จะออกไปในอนาคตอันนี้ต้องเป็นทิฏฐิที่จะต้องทำสัมมาทิฏฐิให้ได้ก่อนเลยที่นี่เป็นอย่างนั้นมาแ ล, แล้วเราก็เรามาล้างโล ก, กียะมาล้างโลกธรรมเราไล่กันมาตั้งแต่พกเป็นครรวาศับปรับปรุงตนมาแม้อบายามุกนี่ยังไม่ได้เรื่องได้ราวแล้วก็ยังจะมานั่งตริติช่งอยู่ น, นึ่งบน เป็นสภาพนักบวชนักเบอร์นี่ไม่เอาอะมันหยากคายเกินไปมันจะต้องอย่างนอ้อยที่สุดเราพยายามตัดรอบวันนี้อบายมุกก็ดีศีลต่างๆอย่างศีลห้าลงไปเป็นระดับของโสดาปฏิยังคะเป็นองค์ของพระโสดาองคุณของพระโสดาศีห้าบริสุทธิ์อย่างดีจริงล้วยังมีสภาพที่เหนือขึ้นมามีอธิศีลมีอธิ จ, จิตจริงๆมีอธิปัญญาที่รู้เข้าใจมา อย่างน้อยเอามาบวชให้เขากราบก็ยังดีอย่างน้อยวันวันวันคืนคืนเราก็มีศีลบริสุทธิ์ของแผ่วอันนี้เหมือนพระจันทร์วันเพ่นได้เห็นอยู่ผุดพองอยู่ก็ยังกราบไหว้กันก็ยังดีสูงกว่านั้นมาอีกเรามียืนยันชัดเจนว่าเราไล่โลกกามโลกธรรมแปดลาบยศสเสริญ เ, เ, เห็นได้มีได้เรามานี้เราต้องมีสมาทิฏฐิแล้วว่า เราไม่ได้มาที่นี่ไม่ได้ส่งเสริมเพราะฉะนั้นคนใด ย, ยังมีจิตมีทิศทางได้ยังจะต้องมามานี่เล ย, เดยได้มีทิศทางได้ได้สะสมเงินทองได้สะสมลาภยศด้วยความรู้สะสมความรู้ที่จะเอาไปหากินทั้งโลกโลกกลับออกไปไม่มีอ่ะที่นี่ไม่มีมีแต่คนเรียนทั้งโลกมาเนี่ยยังดีแต่ยังไม่มีด็อกเตอร์มา น, นี่ขั้นปริญญาเอกนี่ปริญญาโทก็มีมาขม ข, ม, ขมมาไม่ใช่น้อยแล้วไล่มาเยอะแยะปริญญาตรีน่ยไม่ต้องพูด คนมีเงินก็นจํานวนล้านก็นมีค่อยๆมีไล่ขึ้นมาเนี่ยเ ม, มีสมบัติพระสถานเงินล้านกนัทิ้งเงินล้านมาเนี่ยก็ไล่ๆกันขึ้นมาเลยอะคนไม่มีก็ไม่ไ ม, ไม่เป็นไรแหะคนไม่มีแต่ก็ต้องมีทิศทางที่รู้ว่าถึงคุณไม่มีไม่มีลา่าไม่มียอดที่เป็นเครื่องอลังการประกอบในชีวิตแต่ต้นก่อนจะเข้ามาก็จะต้องมีสมาธิิมาเหมือนกันมานี่ก็ไม่ใช่จะมาสะสมมาตั้งหลักตั้งฐานเพื่อที่จะสึกออกไปหรือว่าเพื่อมาอาศัยเป็นบรรลงังกินอาศัยบรรลงังกินอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ จะมาอยู่เป็นตัวอย่างจะมารู้ในทางนามธรรมาเพื่อที่จะอาศัยภูมิอย่างพระพุทธเจ้าพารู้พาเป็นนวานีเป็นอาการอาศัยอัตหิอัตโนานาโถอาศัยความไม่มีกิเลสอยู่เนี่ยหรือลดละกิเลสการติดการยึดเนี่ยเป็นการเป็นอยู่อย่างสบายแล้วเราก็มาทํางานสร้างสรรค์มีประโยชน์ต่อสังคมมีประโยชน์ต่อมูลชนเราจ ะ, ม, ะมีความรู้ทางธรรมนี่แหละหรือจะมีความรู้ทางด้านมีเทคนิคต่างๆ คนที่มาไม่ได้เรียนทางเทคนิคมาที่นี่ก็ได้เรียนทางเทคนิคอยู่ไม่ใช่น้อยหลายผู้หลายคนนอกจากไม่เอาฐานเองมีทางเทคนิคเป็นงานนั้นงานนี้เป็นลุกไม้ลุกมือกันเข้าไปมันก็มีสร้างมีสรนมีนั่นมีนี่มีการรู้งานรู้การอะไรเพิ่มเติมอยู่เหมือนกันแต่แต่ละคนเรียนนี่ไม่ได้หมายความว่าเรียนแล้วจะเอาออกไปหากินเรียนแล้วก็มาทำงานเรียนเพื่อทางาน ถ้าเข้าใจการศึกษาแบบนี้แม้จะเป็นการศึกษาทางโลกเรียนรู้เทคนิคแบบนี้และมีภูมิธรรมอย่างนี้นะก็จะเป็นฉันเดียวกันคือเรียนรู้ทางเทคโนโลยีเรื่องทางโลกนี่เสร็จแล้วก็เข้าใจว่าเออมันก็มาทํางานเรียนมาเพื่อทํางานเรียนวิชาวความรู้มาเพื่อทํางานส่วนจะอยู่จะกินนั้นก็เป็นแต่เพียงการอาศัยเวียนเปิดไปเวียนกันมาถ้าเราปฏิบัติทําด้วยเราก็จะกินน้อยใช้น้อยเราก็จะมันก็เหมือนกัน มาทางนี้กินน้อยใช่น้อยยิ่งเด่นชัดด้วยยิ่งมีหลักมีเกณฑ์มีวินยัยมีศีลยิ่งชัดเด่นแล้วเราก็จะอาศัยอย่างนี้เป็นอยู่ยืนยันว่ามนุษย์นี้ตัวอย่างมาดูสินี่เป็นสรารณะที่พึงเป็นตัวอย่างอันสําคัญเป็นคนไม่ได้หลบโมโทสันสะสมกอบก้ยเอาเปรียบเอารัดสร้างสรรค์อยู่ไม่ใช่ว่าคนหลบคนหลีกคนหลีคนห น, ค น, นีคนเปล่าไดา้ไรการงานไรผลผลิตไร้แรงงาน เป็นภาระสังคมโดยกรรมวิธีนะให้คนอื่นเอามาให้โดยกรรมวิธีให้คนอื่นมาทำทานด้วยเมื่อเป็นพระเป็นเจ้าเป็นสงแล้วโดยกรรมวิธีมันจึงเป็นช่องทางอันเปิดกว้างกว้างสำหรับอาชญากรที่ไม่จริงเพราะฉะนั้นถ้าขืนล ะ, ล, ะล้มหลว ม, ลวมเราไม่ใช่ ไ, ม, ไ, ม, ไ ม, ชกกม่ไม่ใช่หลักเกณฑ์อันดีงามไม่ใช่หลักเกณฑ์อันสาคัญ เพื่อที่จะยืนยันไม่ให้อาชยายกรเป็นทรานส์เข้ามาได้นะหลอกภาษาอังกฤษเขาให้ไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีข้อสอบไม่มีข้อกั้นไม่มีอะไรเป็นเครื่องเคร่งเครื่องวัดอาชญยกรก็เข้ามาได้ง่ายเข้ามาทำอาชญยกรรมในกิจการนี้เป็นเรื่องจริง เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาจริงเป็นจริงมีจริงพิสูจน์ได้ว่าเราอยู่อย่างนี้เป็นอย่างนี้มันเป็นจริงศีลเรามีอยู่ศีลทั้งหลายแหละนี่แหละเป็นเครื่องสอบเป็นข้อสอบเป็นรั้วกั้นเป็นประตูเพื่อที่จะให้คนผ่านเข้ามาได้ยากไม่ใช่ประตูเปิดกว้างจนเกินการแม้จะเป็นการเปิดว่ามาเป็นผู้ที่รับทานเป็นปฏิคาหกเป็นผู้ที่รับ ของทานจากคนอื่นก็ตามทิศทางนี้หร่นเหลี่ยมมุมนี้เป็นสภาพที่ลึกซึ้งซับซ้อนเพราะฉะนั้นถ้าผูดใดที่เป็นไอโจนไม่มีฮิริโอตปะและกลุ่มหมู่หรือระเบียบศีลวินัยไม่เคร่งครัดไอโจนก็เข้ามาอาชญากรก็เข้ามาอาศัยทิ น, นี้แทะแดนนี้ทำกิจกรรมของอาชญากรรมต่อไปอาชญากรรมอย่างนี้ก็มี จึงเกิดจอมโจรจึงเกิดจอมโจรอยู่ในนี้และเมื่อมาศึกษาศึกษาศึกษาก็จะได้ความรู้จึงเรียกว่าบัณฑิตเสร็จแล้วก็ยิ่งซ่อนแฝงลึกซึ้งลึกซึ้งลึกซึ้ ง, ล, งลึกซึ้งขึ้นอีกอกอบโกยสะสมแล้วก็อยู่เป็นบรนลังหากินบางคนทําอย่างลามกอนาจาร์เหมือนอย่างคนโลกโลกแต่ซ่อนบงัง มีครอบมีครัวมีเงินมีทองมีข้าวมีของมีบริวารมีอะไรเหมือนกับอย่างแบบโลกเลยนี่ไม่ใช่ใส่ความนี่มีตัวอย่างและมีของจริงเป็นอย่างนั้นศาสนานี้ไม่ใช่อย่างนั้นขอยืนยันไม่ใช่อย่างที่กล่าวนั้นไม่ใช่อย่างจอมโจรบัณฑิตที่มาทำแบบนี้ที่เราพูดนี่เราฟังได้สบายถ้าไปพูดในที่อื่น ที่ที่มีจอมโจบรบัณฑิตอยู่จริงมากกว่านี้จะพูดอย่างนี้ไม่ได้พูดอย่างนี้แล้วรับรองเลยกระดุกกระดิกเลยดีไม่ดีจะออกไปพ้นประตูไหมเขาจะต้องเดี๋ยวก็กสกลมมอเท่านั้นเองลุ่มบ่อมมอเท่านั้นเองเพราะมันชี้ความจริงแต่ที่นี่พูดได้เพราะที่นี่ไม่ไม่มีจอมโจบรบัณฑิตอย่างนั้นแต่มีจอมโจบรบัณฑิตชั้นสูงขึ้นไปกว่านี้เดี๋ยวจะพูดเดี๋ยวจะพูด จอมโจรบัณฑิตชั้นสูงกว่านี้มันมีชั้นละเอียดชั้นที่เรียกว่ามันน่าจะต้องหิริโอตปะถ้าเราไม่แก้จอมโจรบัณฑิตอย่างนั้นเราก็ไม่สูงขึ้นไปอีกตอนนี้กำลังพูดในขั้นหยาบอยู่นะขั้นที่เรียกว่ายังไม่สูงขึ้นเป็นนักเพราะงั้นแม้แต่ในทิศ ท, ทางอย่างนี้ในเชิงนักบวชก็ตามเราก็จะต้องรู้ความสัตย์ความจริงว่ามีเชิงนักบวชเนี่ยมาเป็นบัณฑิตทางธรรม คุณจะปฏิบัติตั้งแต่เป็นคารวาสก็ดีถ้าถูกทางแล้วมันไม่เป็นจอมโจรมันไม่เป็นจอมโจรมันไม่เป็นอาชญากรเพราะคุณเข้าใจสัจจ์ไม่ได้กลายเป็นคนแฝงสัจจ์ทีนี้เมื่อมาบวชแล้วเมื่อมาบวชแล้ว คุณมากันจริงอย่างที่ยกตัวอย่างอย่างที่ยืนยันพวกเราเนี่ยมีความจริงว่าคุณมาโดยความรู้จิตของคุณยกฐานะขึ้นประเสริฐคุณเห็นความจริงว่าเออเรามาเอาความเป็นอย่างนี้นะไม่ต้องไปให้โหลภโมโทสันไม่ต้องไปที่ใดสะสมลาบยศสรรเสริญไม่ต้องไปล้มเสพสุขที่เขาหลอกอยู่นาี6กเขมรตีรังกายอยู่นสุขแบบ อบายมุขบ้างสุขแบบกามมารมบ้างสุขแบบอะไรก็แล้วแต่ที่ไปหลงหลงเป็นมายาอยู่ในโลกเป็นอามิตรสุขเราเห็นแล้วว่าโอ้มาสงบดีกว่ามาเลิกหนุดละอาการอย่างนั้นที่ไปเสพสุขอย่างนั้นดีกว่าแล้วเราก็มาขัดมากราวเราออกเสมอเสมอจนกระทั่งแน่ใจมั่นใจเห็นผลจริงแล้วคุณก็มาหน้าตาก็เบิกบานผ่องใส ไ, ไม่ใช่มานั่งเครง่งนั่งเบ่ง ทนเอากดเอาข่ำเอาอุดอดอุดอ ด, อดหน้าเขียวหน้าแดงกันอยู่ไม่ใช่นี่เพราะฉะนั้นหน้าตาพวกเราจึงไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นมาเธอมาดูที่นี่ไม่ค่อยซีเรียสนอกจากภาวะที่ต่อสู้มาเวลามาอยู่ในกฎในระเบียบมากขึ้นแล้วนะมาบางคนไม่ได้ปฏิบัติทางคารวะามา ก, ก่อนมาถึงมาเห็นโอ้เอาดีฮะพอจะมาเป็นปะมาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ปฏิบัติต้องอยู่ น, ะนานเนี่ยกินมือตรงมืดเดียวนี่ไม่ต้องไปที่ดี บันเทิงเริงรมอะไรนี่ต้องต่อสู้หนักขึ้นนีิมันก็ชักสุบสิดหน่อยตอนแรกแเพราะว่ามีการต่อสู้ยังไม่ลงตัวพอปฏิบัติแล้วว่าปเดี๋ยวก็เข้าทีถ้าเมื่อว่าเห็นในทิศ ท, ท, ที่ดีแล้วก็มาจัดแจงปฏิบัติไปมันจะเข้าที่แล้วมันก็จะบริบูรณ์ก็สมบูรณ์ขึ้นเป็นไปเองเป็นไปจริงลงตัวถ้าใครปฏิบัติมาจากคารวาสแล้วด้วยเอย ฐานตนๆมันจะไปมีปัญหาอะไรจะต้องมาสูปมาสิดอะไรไม่แล้วอยู่ในศีลข้อเดียวกันวินัยข้อเดียวอย่างคารว่าพคุณมากินมื้อเดียวก็ได้แล้วนะแต่งเนื้อแต่งตัวจะนอนประมาณกันอย่างเงี้ยเคยมาอยู่มันร่วมอย่างเงี้ยนอนก็บางกี่ชั่วโมงพอประมาณไม่ใช่มันปุ่นไวาอะไรมากมายต้องเสพต้องสมอะไรนักหนาลดละได้จริงๆมันก็ไม่ยากไม่เย็นอะไรมันก็เป็นไปด้วยดีนี่ก็เป็นไปได้ไม่ต้องมานั่งนาซีดนาเซียวอีก หูปรางหน้าตาก็เป็นไปด้วยดีไม่ต้องต่อสู้มากไล่เลี้ยงขึ้นมายิ่งพิสูจน์ว่ามีสีนี้เป็นปกติมีสีนี้ทําได้สบายและเป็นเครื่องที่อาศัยด้วยเป็นสีเป็นเครื่องอาศัยแล้วเราก็อยู่สบายๆมีสีสียิ่งละเอียดขึ้นสูงขึ้นมีมากขึ้นมากขึ้นไม่ต้องไปอวดไปอ้างศีก็ได้แต่มีสีนั้นล ะ, ละเอียดละอ้อขึ้นไปขึ้นไปจริงๆ เราเห็นความจริงว่าเราอยู่อย่างน้อยเมืเทียบกับชาวโลกแล้วเราเป็นคนไม่มีสู้เขาไม่ได้หรอกไม่ได้ร่ำไได้รวยไม่ได้รู้ได้ร้าไม่ได้ไปเก่งเป็นดิบไปดีเหมือนอย่างชาวโลกเขาเป็นมันค้านแย้งกันมันกลับกันแต่เรารู้ว่าเราได้อะไรเรารู้ว่าเราได้อะไรสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาจริงๆ จ, จึงเรียกว่าคนประเสริฐคนสูงมันเป็นภาวะซ่อนไปให้ประโยชน์แก่สังคม ตรงที่เราเองเราก็หลุดพ้นของเราเราก็ได้ฟรีของฟรีแล้วคนในโลกก็ได้รับประโยชน์สอด ร, ร้อยกันไม่ทวนกระแสะเลยแต่ว่าสอดคล้องกับกระแสะคนในโลกเขาแย่งลาบเราบายลาบปล่อยไม่แย่งยกให้เขาผ่านให้เขาไปเขาก็สบายขึ้นดีเขาแย่งอะ่ะเขายังเอามันไม่คานแฮเห็นไหมมันไม่คาน มันกลับทำให้โลกก็สบายขึ้นด้วยแย่งน้อยลงคู่ต่อสู้ในการแย่งก็น้อยลงแต่เรานั้นก็ได้เราก็ได้ได้ด้วยต่างคนต่างได้คนในโลกก็ได้เราก็ได้มันไม่คานแย่งกันอ่ามันไม่คานแย่งกันเป็นอย่างนั้นและยิ่งมายืนหยัดยืนอยู่แล้ว เราก็ยิ่งต้องรีดออกละออกก็ยิ่งทั้งโลกก็ยิ่งได้อะไรไปและสุดท้ายเขาจะเขาจะต้องได้ปัญญาเขาจะต้องได้ความรู้เขาจะต้องได้วิชาทางธรรมเราก็พยายามที่จะฉลาดเรียนรู้ปัญญาปรทีบให้ยิ่งยิ่ ง, งขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้ น, น, น, น, นไม่ใช่โกงไม่ใช่เละเละไม่ใช่พวกสัตว์จะแฝงพวกจอมอโจรบัณฑิตไม่ใช่ เราจะเป็นบัณฑิตบัณฑิตที่สะอาดยิ่งขึ้นมันมีเศษโจรมันมีเศษแฝงมันมีเศรษรถเลี้ยวอํำพลางโป๊ปดกลับกรอกอะไรอยู่ก็ยังถือว่าเป็นจอมโจรบัณฑิตยังมีสิ่งที่มืดมนยังมีสิ่งที่มืดมนมีจิตที่ยังมืดมนมีอติอันทพูตังอติอันทพูตังยังมีความเป็นอันทพูตัง เป็นจิตมืดทูตะคือจิตวิญญาณอันทะแปลว่าความมืดมนมันยังมีอะไรหมนอะไรมองอะไรมัวอยู่ไม่มืดมนสะกทีเดียวไม่ใช่มืดอย่างหยาบหาบที่อธิบายไปแล้วหรือว่าไออะไรอะไรไปแล้วมันยังมีอะไรที่ยังไม่ใสสะอาดยังมัวอยู่อีกเรายังถือว่าอย่างนี้ก็ยังเป็นความไม่เป็นบัณฑิตอันบริสุทธิ์ยังไม่ใช่สัจจะอันบริสุทธิ์ยังไม่ใช่บัณฑิตอันบริสุทธิ์ เราก็ยังจะต้องมาล้างมาล้มกันอีกเราได้ดีแล้วประเสริฐขึ้นมาจริงแล้วเราไม่หลงในโลกธรรมเราไม่หลงในกามจะมีเหลือเชือ่อก็ไม่นักไม่หนาไม่ต้องต่อสู้กันจนหน้าเขียวหน้าแดงอะไราเบาบางง่ายได้สบายดีมาได้แล้วจริงๆริงลดละมาได้แล้วจริงๆ เราก็มาอยู่สบายแล้วเราก็มาหาทางเอาออกอีกขับออกอีกสิ่งที่ซ้อนที่แฝงเรายิ่งเป็นคนสงบสงบสงบคำว่าสงบคำนี้ไม่ใช่ว่ายิ่งเฉยยิ่งเฉยยิ่งเหนื่อยยิ่งเอาแต่หลับเอาแต่หลบเอาแต่หนีลีหายไม่ใช่ความรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นมันก็จะรู้ลึกซึ้งขึ้น ถ้ามีผู้นำพาไม่เข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฐิว่าเออดีแล้วคุณสงบได้คุณไม่ต้องติดโลกลาบยศเซินคุณไม่ต้องไปแย่งเขาแล้วกามคุณก็ไม่ค่อยเสพแล้วเออไปเถอะคุณทีนี้ก็สบายแล้วนี่ลอยตัวอาจจะหลบจะเลี่ยงจะหลีกจะรีไปไหนก็ไปไม่ต้องเอาภาระ ก, กับคนนี้ผู้นี้คนไปเลยไม่ต้องมีการมีงานไม่ต้องมีการจ่ายประทีปฉลิโตจ่ายประทีสว่างให้แกผู้ที่ยังมืดอีก ซับซ้อนเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าของเราและทําฟรีด้วยทํางานฟรีๆด้วยจ่ายให้แกเขาฟรีๆด้วยถ้าไม่รู้อย่างนี้ยังมิจฉาทิฐิอยู่คุณก็ไม่ทําความเจริญขึ้นคุณก็ยังเป็นโจรบัณฑิตที่ซ่อนแฝงอยู่ในระดับขนาดอย่างนี้อันนี้ก็จะตายขึ้นมาพูดอย่างนี้นาขึ้นมาแล้วมาหาชั้นที่เจ็ดแล้ว คนยิ่งสนิทใจจริงยิ่งสงบสงบสงบสงบสง บ, บอกแล้วคนยิ่งเป็นผู้ที่มีสัจจที่จริงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในฐานที่หระดับที่หนี้จอมโจรบัณฑิตนี้แท้จริงที่ฐานที่เป็นของเขาจริงๆแล้วยังเป็นบัณฑิตที่โกงหรือยังเป็นคนที่มีสัจจที่ยังไม่สนิทนักยังไม่ถึงขั้นสงบทีเดียวยังมีปัญญา รถเลี้ยวที่มันไม่อยู่ที่มันไม่อยู่ตัวมันวกบนแม้จะศึกษาแม้จะรู้ก็รู้ยังไม่จริงยังมีสิ่งที่ปนเปซ่อนแฝงยังไม่ถูกสัจจะที่แท้จริงแต่ก็ทำตนยิ่งใหญ่ได้อยู่กับโลกลวงโลกได้เพราะโลกมันไม่เคยรู้นะเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องจะแสดงสัจจะที่เหนือกว่าด้วยปัญญาที่ชัดเจน ถ้ายิ่งเราไม่เอาภาระไม่พยายามที่จะมายืนยันแจกของส่องตะเกียงอย่างที่ว่านี่หรือจุดประทีปทำเราไม่มาจุดประทีปทำไม่มาทําความรู้นี้กระจายเผยแพร่ให้คนทั่วไปรู้จรงิงเห็นจรงิงพิสูจน์ว่าสัจจะจริงเป็นอย่างนี้อย่างน้นซ่อนอย่างน้นแฝงอย่างน้นปนอย่างน้นปลอมอย่างน้นยังไม่จรงิงยังแก้ถ้าเราไม่ทํา โจรก็ได้บัลลังครองเดี๋ยวนี้ก็ครองเข้าไปหลายแล้วหลายจริงๆครองบัลลังเข้าไปหลายแล้วมาทำอาชญากรรมอยู่ในาศาสนานี้พูดเท่านี้นะไม่ต้องไปพูดสาธยายมากกว่านี้เพราะเราพูดกันมาหนักแล้วไอ้เรื่องที่มันไม่ถูกต้องในเรื่องของทางทำที่มาเป็นนักบวชแล้วก็มาเป็นเนี่ยเขาบอกถึงนักบวชสัจจานิสัจจา น, จจนิครณีนักบวชนะ ว่ากันจริงแล้วก็คือเอาพวกนักบวชมาอาศัยสัจจะมาเรียนสัจธรรมแต่ได้สัจจะเก๊ๆปลอมๆได้เล่ได้เล่คนไม่เอาภาระไม่รู้เท่าทันก็ถูกโกงกินกันอยู่ตลอดไปผู้ที่ไปโกงจริงบาปจริงไม่ใช่ไหมบาปผู้ที่ครองบัลลังก์หากินอยู่เดียเ๋ยวนี้เสพสุขเสพโลกียะอยู่เดียเ๋ยวนี้ซึ่งมาบวชไม่ได้มาเสพโลกีบอกแล้ว ไม่ได้มาสะสมลาบยศพระพุทธเจ้าองค์ไหนเป็นตัวอย่างมาสะสมลาบยศมีไหมพระพุทธเจ้าองค์ไหนพระอริยสาวกที่เป็นตัวอย่างองค์ไหนบ้างพาธรรมพระอริยสาวกที่ชัดชัดเจนเจนทั้งตํานานมาตั้งกี่ปางกี่ปางก็ตามไม่มาคลองหรอกบรรลงบลงังไออย่างที่เป็นอย่างทุกวันนี้มาทำอะไรอะไรอย่างทุกวันนี้ไม่มาคลองนะ เพราะจอมโจรบัณฑิตนี้นี่เป็นเรื่องของนักบวชที่นี้ก็ขอขยายนิดหนึ่งเผื่อออกไปสู่เชิงของทางด้านคารวาสก่อนที่จะไปถึงฐานที่เจะทางด้านคารวาสนั้นก็มีฐานอย่างนี้เหมือนกันเรียนรู้ความรู้และก็โลกก็รับรองเหมือนกันว่าจะเรียนความรู้หรือเรียนฐานสูง เป็นผู้ที่ยืนยันสัจจะว่ายัางงั้นนะนะที่จริงมันไม่สัจจะสัจจะอะไรนักหนาหรอกทั้งโลกเป็นคนที่บอกว่าจะจริงใจที่จะมาทำงานเพื่อสังคมที่จะเป็นผู้ที่ได้รับความรับนับถือเป็นผู้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละเป็นวีรชนวีรกรรมมาทาวีรกรรมอะไรต่างๆนั่นนมาทำสิ่งที่เสียสละกล้าหาญชาญชัยให้แก่โลกมารับผิดชอบมาพยายามที่จะ เฉสละแรงงานการงานเสร็จแล้วก็กลายเป็นผู้ที่มาแอบแฝงเหมือนกันเรียนให้มากแสดงภูไม่เยอะศึกษาด้วยฝีมือก็สร้างสรรค์ให้เก่งด้วยเสร็จแล้วก็ยิ่งต่อต่อต่อให้ดูดให้ยาวให้ได้มามากๆ ความรู้ก็สูงก็ยิ่งดูดเอามากๆแพงๆไม่ใช่มาเสียสละจริงมีอยู่ในโลกอย่างนี้เราก็เรียกว่าจอมโจรบัณฑิตเรียกว่าเป็นพวกที่อาศัยแฝงลวงเขาให้เขาหลงผิดที่จริงนะให้เขาหลงถูกว่าเราถูกที่จริงเรานั่นผิดแต่แสดงความแม้เหมือนกับเราถูกเราถูกต้องเราดีตลอดเวลาแต่แท้จริงปิดบัง ตัวเองไม่ได้ดีจริงตัวเองไม่ได้ถูกต้องจริงแฝงซ่อนอำพรางลึกเข้าไปเรื่อยลึกเข้าไปเรื่อยถ้าไม่มีคนรู้ก็จะทำอย่างนั้นมากขึ้นมากขึ้นในสังคมเดี๋ยวนี้ก็มีมากมายหลือขนานับถ้าเราไม่จุดของจะไม่แจกของส่องตะเกียงเราไม่พยายามจุดปัญญาปฏีปะชริโตเราไม่พยายามเปิดเผย ทำให้สว่างไขสแสดงให้ชัดเจนขึ้นให้รู้เท่าทันขึ้นแต่ว่าเราไปเปิดโปงไอ้โจรนี่ระวังนะไอ้โจรนี่ถ้าแกงใครไปเปิดความลับเขาใครไปเปิดเล่ดเปิดเล่ดพวกนี้ข้าแกงรุนแรงทำร้าย รุนแรงทำร้ายด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องระวังจึงต้องมีปัญญาจึงต้องมีความฉลาดเพียงพอที่จะไปเปิดเผยที่จะทําให้คนรู้เท่าทันจนให้คนปรับปรุงหรือยิ่งให้โจรนั้นปรับปรุงตัวเองได้ยิ่งเก่งให้ยอมรับจำนวนต่อความไม่ดีไม่งามของตนต่อความที่เป็นเลสเป็นเลน่เป็นสิ่งที่ไม่เข้าทา่าแล้วเปลี่ยนแปลงตนเองได้อย่างนี้ยิ่งเป็นผู้ที่ แสดงหรือว่าเป็นผู้ที่เปิดเผยเป็นผู้ที่ทํางานปฏีปัชริโตปัญญาปฏีปัชริโตอันสูงส่งขึ้นอัมีประสิทธิภาพดีด้วย <c oughs> ยิ่งยิ่งถ้าใครทําได้ก็ยิ่งยิ่งจะยิ่งทํากับชั้นสูงขึ้นไปเท่าไหร่เท่าไรได้ยิ่งเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่อยู่ในฐานะยิ่งเป็นบัณฑิตจอมบัณฑิตเป็นบินยูชนจอมวินยูชนเป็นผู้ที่มีศักดิ์ศรี นี่ชั้นเชิงยิ่งสูงยิ่งสูงได้แล้วเรายิ่งช่วยเขาให้เขาปรับปรุงตนให้เขาอย่ามาซ่อนแฝงอย่ามาอำพรางอย่ามาเอาเปรียบเอารัดอย่ามาทําอะไรเก้เกเล่เล่ให้ทำด้วยสุดจริตใจเสียสละอดทนและเป็นคนมักน้อยมักน้อยมักน้อยลงไปได้จริงๆรเป็นทิศทางเดียวกับพระสมมานเจ้าพราเป็นมนุษย์ประเสรศิฐรู้กินรู้อยู่รู้ใช้รู้ชีวิตอะเฮ้ยชีวิตมันไม่ได้ยิ่งใหญ่เพราะ เราจะเอาลาบมาเป็นเครื่องเอาลาบมาเป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องชี้ว่าฉันมีเงินมีทองเข้าของทรัพย์สมบัติมหาศาลเป็นเครื่องชี้ถึงผลสําเร็จหรือความยิ่งใหญ่ของเราไม่ต้องหรอกเป็นความเห็นที่กลับยิ่งเราจนเนี่เราจะเป็นเครื่องชี้ว่าเราเนี่ยอะไรยิ่งยิ่งดีแม้จนเราก็ทํางานได้มีศักดิ์ศรีมีการงานมีคนยอมรับนับถือ แสดงความจริงช่วยเหลือเสียสละได้มีบทบาทจ่ายพพลังงานจ่ายแรงงานจ่ายทั้งปัญญาทั้งแรงงานที่ทําอยู่ให้แก่โลกแก่สังคมทั้งทั้นที่ยิ่งไม่มียิ่งไม่มีเงินนี่แหละยิ่งน้อยยิ่งลดน้อยได้มันยิ่งเป็นปาฏิหาริย์มันยิ่งทวนกระแส ย, ย้อนย้อนเข้าไปผู้ที่มีปัญญาจะมองเห็นเข้าใจแล้วก็จะทําจริง ส, สอดเข้าไปสู่ความลึกซึ้งนั้นจริงๆริงทำจริงจริงผู้นั้นจะทํา เพราะความเห็นจริงมันเห็นจริงมันเชื่อมัน่นมันเข้าใจด้วยปัญญามันเห็นก็กล้าทํายากนะไม่ใช่ของง่ายฝึกปลือเข้าลําบากลาบนกว่าจะเราจะทําได้และมันจะอยู่ได้มันจะอยู่นะหมายความว่ามันจะเป็นไปได้เออสุดท้ารกลายเป็นคนไม่มีจนเหมือนอย่างคารทีงี้เป็นรัฐบุรุษเอกของโลกนะไม่ใช่ของประเทศเท่านั้นใครก็ยอมรับนับถือเป็นคนที่ ทำงานเพื่องานทำงานเพื่อเสียสละเสียสละตลอดเวลามีโอกาสมีทิศ ท, ทางที่จะได้แต่ไม่ยอมเอาแล้วก็ไม่ยอมเอาแล้วยังสละหัดออกออกออกมักน้อยออกเป็นนักการศาสนาที่จริงเข้าใจว่าศสนาธรรมนี่ช่วยมนุษย์เป็นคนเห็นจริงๆเป็นสมาธิฐิว่าทิศ ท, ทางอย่างนี้เป็นคนประเสริฐแล้วก็เป็นคนอย่างนั้นมากินน้อยใช้น้อยอดออมล ะ, ล, ะลดเสียสละตลอดชีวิตตั้งอายุ80 มันก็เป็นรัฐบุรุษของจริงใครก็ต้องชมใครก็ต้องเชยตัวอย่างไม่มีใครกล้าค้านกล้าแย้งอะไรนี่บางคนก็บอกว่าเขาทำเอาเรื่องนั้นเอาหลักนั้นเอาการกระทําต่อสู้ในเรื่องของประเทศของตัวเองมีเหตุปัจจัยได้ต่อสู้ได้กอบกู้เอกราชขึ้นมาก็เลยกลายเป็นตัวเด่นตัวดังอะไรเฉย ไม่ใช่มันมีองค์ประกอบของคารทีอีกตั้งเยอะเป็นนักการาศาสนามีปัญญาปฏิที่หลายอย่างหลายอันที่ยืนยันหลักการยืนยันความจริงมีทฤษฎีมีหลักการมีเครื่องยืนยันอ้างอิงเป็นพฤติกรรมเป็นจริยธรรมของเขาเป็นศีลธรรมของเขามันมีจริงเนี่ยตลอดอายุไม่ใช่ของโป๊ปดมดเท็จถึงแม้เขาจะกดข่มได้ มันมีอะไรที่ลําบากจะอยู่เขาทําอย่างนี้มันก็ลงหลักลงฐานนะใช้ได้เหมือนพระเรามาบวชเนี่ยศีลท่านว่าว่าอย่างนี้กดข่มเอาให้ได้นะท่านถึงอธิบายศีลว่ามันกดข่มให้กายวาจามันเป็นไปได้แต่ทางใจจะกดจะข่มอยู่มากอย่างไรก็ตามท่านถึงอธิบายศีลว่ามันกายว่าจีข้างนอกเท่า น, นั้นแหละบริสุทธิ์บริบูรณ์ตามหลักการศีลใช้ได้ก็ถูกหยาบนอกได้แล้วแค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วถ้ากดข่มด้วยแล้วเราก็กดข่มน้อย ยิ่งเบาเบาๆเท่าไหร่เราก็ยิ่งสบายมันก็ยิ่งไม่ยองยากไม่เย็นมันก็เป็นจริงเป็นจริงยิ่งไม่ต้องกดข่มเลยก็หมดเลยสีนั้นเป็นไปได้ไง่ายสบายสบายไม่ต้องกดต้องข่มไม่ต้องลาบากลำบนไม่ต้องอดต้องทนอะไรนี่ตามสีนี้มันก็ของง่ายนั่นก็เรียกว่าจริงๆใหญ่เพราะถ้าผู้ใดจะเป็นไปได้นานนา น, น า, นน า, นนานก็แสดงว่าคนนี้มีความอดทนด้วยถ้าผู้นี้ไม่อดทนเป็นของจริงเราไม่รู้ใจว่าเขาอดทนอยู่หรือเปล่าเขาต้องลาบากลาบนหรือเปล่า ถ้าเขาไม่ลําบากเลยเราไม่รู้ใจเขาเราก็ต้องยกประโยชน์ให้แกเขาเขาทําได้ชั่วระยะหลายปีหลายปีแล้วเราไม่มีทางพิสูจน์ได้มันก็ต้องจํายอมแต่แท้จริงแล้วต้องเป็นผู้ที่รู้เดี๋ยปัญญากว่าจะมาอดมาทนมันก็ต้องรู้ความดีว่าเออจะอดทําไมทนทําไมถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีความเห็นไม่มีความเชื่อถืออย่างจรงิงจังใครจะมาอดให้มันเป็นบ้าทําไมจนตายไปก็ร่างกายก็ชีวิตผู้ที่ทำแล้วจนกระทั่งมาไม่อดก็พิสูจน์เอาเอง ใครมาอย่างนี้อย่างนี้อดอยู่หรือทนอยู่หรือลาบากอยู่นักหนาทนไม่ได้ทนไม่ไหวมันก็ตีกลับไปเองอ่ะแต่ถ้าใครทนไหวแล้วมันเป็นปกติสบายแล้วอใครก็ใครมันตัวใครก็ตัวมันก็รู้เองมันจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะหลักการเหล่านี้มันทวนกระแสชี้ให้ฟังนี่บอกว่ามันชี้จนปากจะฉีกแล้วชัดๆเจนๆอย่างนี้พูดนี้ก็ไม่เข้าใจมันจะทําไงแล้วมันก็ทวนเห็นหลักเห็น แกนเห็นตัวสวนตัวทวนตัวคานตัวแย้งอยู่ยกให้ฟังอยูอ่แล้วเราก็เทียบเคียงไปถึงพระสมานสพุทธเจา้าพระอริยาสาวกหลักฐานต่างๆทั้งตำนานนิทานเหตุปัจจัยเอามายกมาอ้างมาอิงถ้าเห็นแล้วชัดเจนปัญญาองขึ้นเป็นสมาธิมันเป็นไปไม่ยากง่ายมันก็ฝึกปลือเขามา้มันมีความเคยความชินก็มาล้างเจโตออกทาแล้วก็เห็นผลซับซ้อนไปมีวิปัสสนามีสมถะได้จริง มันก็เลื่อนขึ้นเดือนขึ้นก็กลายเป็นผู้ที่ไม่ใช่เป็นจอมโจรละก็เป็นผู้สะอาดเป็นบัณฑิตแท้สะอาดขึ้นสะอาดขึ้นเท่านั้นเองนะแล้วก็ขอข้ามไปนะก็ขอผ่านนะราะในฐานนี้เราก็มาช่วยตนอย่าให้เป็นจอมโจรบัณฑิตดังกล่าวด้วยเมื่อสูงขึ้นแล้วก็อย่าให้มีอะไรซ่อนแฝงผู้อื่นก็ช่วยกันอย่างนี้แม้จะเป็นคารวะแม้จะเป็นนักบวช ต่อมานันโทปนันทะนันนโทปนันทะพุทธคังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเถระุชเคนะธรรมะปยันโตอิทูปเทสวิธินาชิตวามุนินโธตันเตชาสาพราะวตุเตชยมังขลานิน่อันนี้ก็เอาตัวอย่างปุกลาธิฐานมาอีกเมื่อนันโทปนันทะนาครา ซึ่งรู้มิพุทธังมิพุทธังแต่ว่ารู้รู้ยิ่งมิพุทธังมิพุทังมหิตทิงมีฤทธิ์มากนะมหาบอกอิทธิมหิตทิงมีฤทธิ์มากได้แผลงฤทธิ์กับพระบุตรนาคใหญ่นในงเูเล็บพระบุตรนาคใหญ่เนี่ยเขาก็อ้างไปถึงพระโมกคลาทีเดียวพระโมกคลานะ พระจอมมุนีก็ทรงชกชนะด้วยทรงตัดแสดงวิธีอันเกง่ง อ, อิทูปเทสะเรียกว่าเก่งอิทะอิทะอิทธินี่แปลว่าเกง่งอุ ป, ปเทศแปลว่าต่างๆนั้นนะแสดงด้วยวิธีต่างๆอันเกง่งนี่เป็นความชนะของพระจอมมุนีอีกอันหนึ่งนะ ในนี้ยืนยันด้วยภาษาในนี้แปลตามภาษาเขาก็แต่งขึ้นมากขาพยายามที่จะเอาความให้มันได้มั่งแต่มันก็ได้เท่านี้นะทรงชำหน้าด้วยทรงตรัสแสดงวิธีอันเก่งด้วยเหตุแห่งการเกิดอย่างนั้นพยายามแสดงทีนี้ก็พูดเท่านี้มันไม่รู้เรื่องก็ต้องต่อไปต้องยกจากปุกราติฐานแล้วโยงเรื่องเข้าไปว่ามันมี ธรรมมาธรรมอาิฐานหรือธรรมะอย่างไรอันแท้นันโธปนันธานี่เป็นนาคราชทีนี้ถ้าไม่รู้ทำในธรรมมันลึกซึ่งนาคคาราชคืออะไรนาคราชแปลว่าผู้ประเสริฐนาคราชมีเมืองอยู่ไหนหน่ะมีนิทานมีเหตุปัจจัยต่างๆนานานาคคราชมีเมืองอยู่ใต้าบาดาล น, นาคราชมีลักษณะสั ญ, ญลักษณ์่าเรียกว่าคุณเลยมันจะคุณลักษณะสั ญ, ญลักษณ์ลักษณะประจำเขาอย่างไร กำหนดหมายเอาอะไรสั ญ, ญลักษณ์กำหนดหมายเอาหน้าคราสในติดสงบอยู่ใต้าบาดาลไม่ต้องงอหัวงอหูหมารู้โลกไม่รู้โลกก็จะเป็นยังไงไม่รู้เราจะสงบติดหลับติดนอนติดหลบติดสงบมากมายนในความเห็นของคนทั่วไปเป็นสามัญก็บอกว่าผู้ที่รักสงบมีความสงบแล้วโอเป็นผู้ที่จเจริญ ยิ่งเป็นผู้ที่เป็นสมณะหรือเป็นนักบวชนักพรตชั้นสูงขึ้นมาฐานนี้มันสูงกว่าฐานโนรนาสถานนี้สูงกว่าฐานที่หลนะนาเป็นนักพรตที่มีภาคปฏิบัติได้จริงสงบจากลาบยศสันเสริญมาจริงสงบจากกรรมมาจริงสงบจากโลกียสุขมามากจริง แม้แต่สันเริญก็ไม่ค่อยจะติดอะไรได้นักจริงเรียกว่าโลกกระทหรือว่ากามนี่ครัหมดไปละโลกชั้นต้นโลกชั้นหยาบโลกชั้นอินทรีย์ข้างนอกหยุดได้ไม่ต้องดิ้นต้องรนเพราะฉะนั้นจะอยู่กับที่สงบสถานที่สงบกี่วันกี่คืนกี่เดือนกี่ปี สบมทมดสบายมากมันธรรมดาธรรมดาเลยฐานของพวกนี้ประเส ร, ริฐขึ้นมาชั้นหนึ่งแล้วนาคแปลว่าผู้ประเสริฐท่านมีทั้งรูปธปรรมานามธรรมาอธิบายได้วรูปธรรมก็เหมือนกับ ง, งูงูเหลือมงูหลามใหญ่กินอิ่มนอนหลับน่ ท่านอาจถึงอุปมาอุปไมยนาค์านี่เป็นพญานาคที่จริงตัวจริงไม่มีนะไอ้ที่บอกว่างูเหลือมงูหลามที่เรียกว่าพญานาคนี่ตัวจริงไม่มีนะเขาก็เอางูเหลือมงูหลามเนี่ยเป็นแกนยาวมีเกล็ดยาวเป็นสภาพพวกเลื้อยคลานนิ่งนอนกินเอือกไปเหมือนงูเหลือมงูหลามเสร็จแล้วก็มาปั้นเชิงเป็นแง่เป็น ง, นงอนอะไรให้แก่ รูปร่างว่ามันมีริดแรงมันมีริดร้ายมันเป็นพยานะมันมีตัวสำคัญนะมันมีเรื่องร้ายๆเร็วๆแรงๆหรือว่ามันมีริดเด็ดอ่มันเหมือนดีแต่ว่ามันก็มันดีตรงที่ว่าสงบได้สงบแต่มันเสียตรงที่มาติดสงบเขาก็อธิบายเป็นเชิงเป็นชั้นเป็นแง่ให้รู้ว่ามันแม้มีเขี้ยวมันมีพิษมีรินะ มีเขี้ยวมีหนวดมีงอนอมีริดฉกไม่เหมือนงูธรรมดานะงูธรรมดาก็งูธรรมดาคุณก็รู้อยู่แล้วงูธรมธรมดางูธรรมดานนี้มันงูพิเศษนะงูพิเศษนะไม่ใช่งูธรรมดาน ะ, ะงูพวกนี้มีริดตอบโต้มีริดร้ายต่อมนุษย์เหมือนกัน เพราะฉะนั้นมีริร้ายต่อมนุษย์ก็คือผู้มีใจสูงมนุษย์ศักมนุษย์ใจสูงเพราะฉะนั้นผู้ที่มาปฏิบัติใจสูงได้ระดับหนึ่งแล้วไม่ติดโลกียะกามคุณกามรมอะไรแล้วและก็มาหลงสงบติดสงบเนี่ยาศาสนาพระพุทธเจ้าอะไรปราบอย่างที่เราย้ำกันอยู่เหลือกเกินตอนนี้จอมนานี่แปลในที่นี้ว่าฐานนี้คือฐานจอมนาจะต้องใช้ธรร ม, มาวุเดนานาริธา นี่แปลโดยภาษาของพระโพธิรักปราบด้วยนานาฤทธาพระโมคคลานี่ถือว่าเป็นผู้ที่มีฤทธ์มีฤทธิ์มากจนเปรียบเอาว่ามาเป็นพวกบุตรนาคใจแผลงฤทธิ์ที่จะออกฤทธิ์ออกเดชมาเพราะคนรู้ง่ายคนพวกนี้เนี่ยเออเขาเป็นคนสงบแล้วไปจอมมุ น, นีแล้วอย่าไปกวนท่าน เราจะนั่งหลับหูหลับตาหลบหลีกไม่แย่งชิงราบใครจริงๆไม่แย่งชิงยศชิงราบชิงสันเสริญอะไรใครไม่เอาไม่เกี่ยงแกมอะไรไม่แสดงแล้วสะอาดจริงใครก็ต้องเห็นง่ายๆเขารบนับถือแต่มันเลยเถอดสุดตรงไปในทางที่มันไม่เอาฐานอะไรไม่รู้โลกไม่ช่วยโลกไม่มีกําลังงานไม่มีพลังงานไม่มีผลิตผลไม่มีการงานไม่มีบทบาทอะไรเลย กลายเป็นกินกินนอนนอนหลับหคู่คู่เสียคนคําว่ามีฤทธิ์มีแรงนี่แหละคือทําให้คนเสียคนมีฤทธิ์ทำให้มนุษยโ์โสโทมกว่ามนุษยโ์โศทําให้ศักดิ์ศรีของมนุษย์เสื่อมต่ํากว่าความเป็นมนุษย์นี่คือคําว่ามีฤทธิ์ฤทธิ์อันนี้มันฤทธิ์ทำร้ายฤทธิ์ฆ่าฤทธิ์ทำให้เสื่อมทธิ์ ท, ทาให้ตกต่ําให้เป็นความต่ํา ฟังภาษาไทยๆที่พูดนี่สื่อความหมายฟังง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ไม่เกิดปัญญาไม่เกิดสมาธิิไม่รู้ในความจริงก็ไปติดก็ยึดอย่างนี้าศาสนารัที่ใดจะก็เห็นว่าแค่นี้ก็พอแล้วก็มันจริงๆแล้วนี่มันก็ไม่มันไม่ได้ไปกวนโลกเนี่ไปแย่งโลกแล้วนี่หมดแล้วไม่ต้องไปแย่งกามใครไม่ต้องไปแย่งลาบยึดสันเสริญใครนี่มันก็ดีแล้วประเสริฐแล้วนี่ก็เรียกานาคแปลเอาความมาประเสริฐชั้นหนึ่งก็จริงเราต้องเห็นสอดคล้อง แล้วมันก็คานแย่งได้อีกว่ามันยังไม่ประเสริฐจริงประเสริฐดีดีกว่านี้ยังมีอีกเพราะฉะนัต้องตื่นไม่ใช่เอาแต่หลับหลุดมุดคุดคูหลบเลี่ยงไปอยู่ใต้บาดาลโลกเป็นอย่างไรต้องตื่นขึ้นมารู้ไม่ใช่หลับไปเป็นพุทธันดรหนึ่งมีพระพุทธเจ้าแต่และองค์ขึ้นมาเกิดแล้วก็ตื่นขึ้นมาวันหนึ่งขึ้นมาทีนึงนะเขาก็เพิ่มเขาเองมาวันอย่างที่เสี่ยงทายเป็น ผูกท่านผูกนิทานเอาไว้ประวัติพระพุทธเจ้าไปลอยถาแล้วดังกริ๊กลงไปอะไรต่างๆนานาจนกระทั่งไปถึงพื้นบาดาลไม่รู้ไปลึกไปกี่ยชนไอ้กองกริ๊กดังกริ๊กไอ้คำว่าดังกริ๊กปลุกให้นาคตื่นี่อะไรมันก็ปลุกไม่ได้ต้องทาทองคำของพระพุทธเจ้าคำว่าทองคำก็มีความหมายว่าเป็นสิ่งที่จะต้องมีคุณค่า อะไรเป็นคุณค่าก็จะต้องเป็นอย่างน้อยกับปัญญาอย่างน้อยกับปัญญาบอกแล้วชั้นนี้เหนือกับปัญญาปทีปะชลิโตแล้วไม่ใช่วาริทานานาริทธาเรียกว่าอิทูปเทสะไม่ใช่หมายความว่าเป็นริษแบบโลกโลกพระโมคคลาก็ตามที่บอกว่าเป็นผู้มีริษมากในาศาสนาพระพุทธเจา้า ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นลิขิโกโลโทอะไรเป็นลิธิตทางธรรมท่านมีพลังเจโตอํานาจทางจิตสามารถที่จะสู้สามารถที่จะตัดสามารถที่จะลดละได้มานักไอโลกนี่มาจะทบสัมผัสท่านเท่าไรเท่าไหรเฮ้ยท่านเป็นผู้ถิ่นแน่มัน่นหนักแน่นไม่มีแปรปรวนมั่นคงเจโต ยิ่งกับาภูเขาหินหนักหยุดหยุดได้เสด็จหยุดจนหยุดเกินไปมีนยายะอย่างนี้หยุดจนหยุดมากไปอึดอึด อ, ยอยวยๆเฉยเฉยช้าช้าเหมือนกับงูนี่แหละเลื้อยช้าเลื้อยรถเลื้อยยิ่งงูหลามใหญ่แล้วก็ไม่ต้องห่วงแะพอยิ่งกินอิ่มแล้วก็อยู่ตรงนั้นนายาคา ง, งอกขึ้นมาทะลุหลังเลย งูเลื้อยใหญ่กินทีเป็นเดือนนอนอึดอยู่ตรงนั้นน่ะยาคามันงอกจนกระทั่งทะลุถึงหลังแทงทะลุไปเลยอย่างนี้เป็นตน้นมันไม่เอาอะไรไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีบทมีบาทไม่มีแรงงานไม่มีอะไรแต่อะไรอย่างนี้มันไม่ใช้ไม่ได้อย่างนี้ลัทธิพระพุทธเจ้าไม่เอาพระพุทธเจ้าสอนลัทธิเดรัทธิถึงขนาดนี้กว่า ด, ดีเหนือกว่านี้เป็นาศาสนาพุทธ ถ้าเข้าใจอันนี้ไม่ได้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะยายามพวกเราอยู่เนี่ยพิสูตน์ยืนยันว่ามันจริงแล้วก็อธิบายในหลายๆเนี่ยหลายวันมานี้แล้วก็ได้พยายามที่จะคลี่คลายให้ลึกซึ้งลงไปว่าให้ถอดถอนในติดหลับติดนอนติดงกติดงงติดยึดติดปลกติดอะไรเนี่ยแล้วก็บอกเคล็ดแล้วบอกตัวสำคัญแล้วว่าใจมันเป็นจริงนะคุณมันเหมือนกับพวก ยิอยู่เ ก, กาะการทะเลทรายแล้วก็ไปเจอโอเอซิสพวกไตอดไตอายากเออมันนั่นก็ได้สับขึ้นมาแล้วพวกตายอดไตอยากแต่ก่อนนี้ก็เป็นหลงถูกเขาหลอกไปงาบงาบอยู่แต่ไอเรื่องโลกีสุขโอ้ปุนปนปรุงปุงสังขารอย่างงนอย่างงี้ต้องเป็นอามิดอย่างลัดเลวนวะนีนี่ต่างๆนา น, นานก็นึกว่ามัน อ, ร, อร่อยๆเสพหลงเสพพอนำมาศึกษาทางาศาสนาทางธรรม ท่านชีแนะให้เลิกมาสิหลุดลองดูสิมาได้จุดสงบเนี่ยิ่งสบายยิ่งกว่าอร่อยยิ่งกว่าโอ้ยังกับพวกโอเอซิสเจอไอ้พวกไอทะเลทรายชาวทะเลทรายเจอโอเอซิสตะกะตะกลมตะลามใหญ่แล้วโอ้แต่อดแต่อยากกินเกาะ อ, อยู่ตรงนั้นนะมันก็ได้จมอยู่แค่นั้นนะมันจะได้ภูมิที่เจริญกว่านั้นมันมีอีกที่อุดมสมบูรณ์กว่านั้นมันมีอีกไปจมอยู่แค่นั้นอะไร ดินแดนที่เหนือกว่า น, นั้นมีอีกอย่างนี้เป็นต้นและเหมือนพวกเราพอได้เสพแล้วโอ๊ยดีไม่เคยพบไม่เคยเห็นจริงคุณไม่เคยพบไม่เคยเห็นทีนี้พบเห็นแล้วก็จะมาตะกลาตะกรามอะไรแค่นี้มันยังไม่ความประเสริฐของมนุษย์หรอกเพราะฉะนั้นจิตมันติด จ, จริงมันเป็นายอดแต่ยากจริงๆอ่าเรียกผีอะไรดีผีไตอดแต่ยากนี่เลยแล้วเรียกผีอะไร เาเรียกผีอะไรผีกระโหยเหรอผีกระโหนยผีกระหิวพ่ะผีอะไรผีกระหังผีกระหังมันเป็นยังไงลักษณะผีกระโหนยถ้าฟังดีแต่ไม่รู้ละเราก็พยายามหาสื่อภาษาหรือความหมายหรือสิ่งที่จะให้รู้ไปในรตปการรู้นามมาทำรู้อรูปนี้เข้าใจ แล้วเรามีจริงนี่ยิ่งเราเจอเข้าตัวกับเราเองเนี่มมันจริงๆเลด้วยโอยแล้วคุณไม่เพียนออกพระโมกขลาก็เหมือนกันพระมหากรสปะก็เหมือนกันสายเจโตนพระอนุรุตก็เหมือนกันสายเจโตนไปอ่านดูดีๆที่ในพระไตรปิฎกเจอแล้วสารภาพว่าโอ้ยเราหลอกอไอ้ธีนะมิทธนนี่เหลือกำลังลนะพ่อคุณเอ่ยหลายสิบปีเหลือเกินอะไรงี้ แต่เราไม่ได้หมายความว่าเราจะไปออพมหาสาวกทั้งหลายแหละท่านยังติดนี่เราก็เอามังฮี เ, ออเรานี่คนต้องฉลาดต้องเป็นอภิชาติตบุตรเจริญยิ่งกว่าพ่อกว่าแม่จเจริญยิ่งกว่าตระกูลเก่าๆเดิมๆนะเรารู้อยู่แล้วว่าไอ้น่มันเสื่อมันซามันสมจะมานั่งมุดบุตคุคุคุไม่ได้หรอกงานการมีทุกวันนี้นี่ผู้จะทาก็ทำซะจนจะตาย ไอ้ผู้ไม่ทําก็เดินลอยชายแล้วทําไมคุณไม่น่าอายหน่อยสัมผัสลงอายอายสิจริงๆผู้จะทำแล้วทำจะตายแล้วเราก็ได้แต่ลอยชายไปลอยชายมาเออระเหยหนึ่งเรามีงานอันใดใส่ใจงานอันนั้นก็ควรรู้ด้วยว่า ง, งานอันใดที่เราจะมีไม่บังคับกันนี่ทีน่นี้ถือว่าชั้นผู้ดีแล้ว มีหิริมีโอตปะมีสายตาลืมตาออกมาปลุกก็ปลุกแล้วมีกฎมีระเบียบแล้วกลางวันไม่นอนก็ตื่นมาก็รู้ไม่ใช่กลางวันไม่นอนเหมือนกันแต่อยู่ในกดนะเหลือบปลือเปลือกตาขึ้นดูเห็นอะไรแวบๆแล้วหลีบหลบหลบัลบตาลงพลิมตาลงดีไม่ดีก็งับกุดเขามาน้อยๆหน่อยเพื่อเดียวกุดมันกว้างๆนะักมันก็เห็นโลกกว้างไปอีก มันจะไม่กลายเป็นธรรมพญานาคอันดีเล่ดเล่ทั้งนั้นนะ่ะแบบนี้ก็สั์จังวิหายะประกอบมีอยู่เรื่อยไปถ้าว่าประเสริฐขึ้นมาอีกจริงเมันก็ยังมีแฝงจอมโจรบัณฑิตอยู่ในตัวเราก็จะต้องแก้ไขปรับปรุงมีงานมีการการงานอันใดให้ใส่ใจงานงาน น, นั้นข้อที่หนึ่งในการแก้ที่พระเจ้าสันนอนพระโมคลา ลุกขึ้นมานวดเนื้อนว ด, นว ด, นวดตัวตื่นฟื้นขึ้นมารู้จักเวลาหลับเวลาตื่นกำหนดเวลาหลับมันง่วงจริงๆนะก่อ น, นอนและกําหนดเวลาตื่นตื่นขึ้นมาตามที่ประมาณเรียวกว่าพูดดีกันขั้นนี้แล้วแล้วก็ยังจะไม่เข้าใจมีฮิริโอตปะอยู่แล้วกําหนดเวลาหลับเวลาตื่นนั้นขึ้นมาก็อมีการงานอะไรเกื้อกูลกันช่วยเหลือเฟือไฟคนละไม้คนละมือเราพยายามที่จะบอกกันด้วยปัญญาปฏิบว่าพลังหมด พลังสามัคคีสังคสะมันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการงานไม่ว่าเราจะขนทรายเม็ดนับเม็ดถ้ามีมวลคนละเม็ดทรายแค่นั้นก็เป็นภูเขาเรากาได้เราได้พยายามแล้วที่จะพิสูจน์ยืนยันไม่ว่าจะออกการงานในด้านใดๆไม่ว่าจะทั้งแรงกายไม่ว่าจะทั้งแรงใจแรงปัญญา เราได้พิสูจน์ว่ามันมีของดีมีความจริงแล้วเราก็กระทำมีอฟังทุกคาหะทิฐิพุชเคณะสุทธะหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาภกาพิธานังยานาคเทณะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาพระวัตุเตชยมังขลานินะอันนี้ก็แปลได้ง่ายว่าเมื่อเกิดการกล่าว ชั่วในความเห็นประเสริฐที่ยึดถือเห็นว่าดนะีหมายเขาว่าแสดงเปิดเผยสิ่งที่ดีเมื่อเกิดการกล่าวชั่วในความเห็นคือความเห็นประเสริฐนะที่ยึดถือว่าดีจากเท้าพระกาพรมผู้มีฤทธิ์สำคัญตนว่ารุ่งเรืองด้วยคุณนบริสุทธิ์นี่อ้างเป็นปุคราชิฐานแล้วเอาเรื่องมาแค่นี้นะ พระจอมมุนีก็สรงช่ำช้ด้วยวิธีแสดงยานคือความรู้ยิ่งด้วยเหตุแห่งการเกิดอย่างนั้นชัยมงคลจงมีแก่ท่า น, นเพราะในการเกิดการแสดงยานแสดงความรู้อย่างสูงสุดอันนี้ก็ต้องถือว่าสูงสุดญานมาแล้วตั้งแต่ชั้นต้นมาตั้งแต่จอมายาสาไถนี่เราสันติตอนนอกนั้นก็เป็นสันติชั้นสงบ เป็นปัญญาชั้นวางสงบแล้วก็จงใช้ปัญญาขึ้นมาใช้ปัญญาสูงขึ้นมาอีกสุดท้ายนี่ยิ่งปัญญาชั้นยอดเป็นญาณทัศนวิเศษเพื่อสามารถที่จะต้องทำปราบตอนนี้ไม่ใช่พญานาคเป็นพญาพมไม่ใช่จอมนาคเป็นจอมพรมพพมนี่หมายความว่าเป็นโดยความหมายหมายความว่าเป็นผู้ที่ใหญ่สูงศักศัก์ ส, กสจะต้องเอายศเอาศัก์ใหญ่ ภูมิรู้กับภูมิรู้ใหญ่ความสามารถกับความสามารถใหญ่แบ่งคมเบ่งทัพเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเราจะออกมาที่ก็ขอต่อเมื่อกี้เลยเมื่อเราจะมาทำงานช่วยเหลือเฟอือไฟเข้าใจได้ดีได้ดีแล้วเราก็จะมาเป็นพรหมจะใหญ่จะทำอะไรเก่งๆกลางๆของขวางรีๆใหญ่หญๆโตๆคนนั้นคนนี้แสดงความใหญ่เขาทำอยู่ก่อนอยู่เก่าอะไรก็แล้วแต่เขาก็รู้อะไรแต่รายละเอียดเขาจะยังง้นอย่างนี้ใหม่อะ เราก็จะรู้มากเราก็จะรู้ใหญ่เราจะจะเอายศอะไรไม่รู้มาเบ่งทัพคุณใหญ่ในโรงขยะและคุณมาถึงมาโงเขาทำทองคาคุณก็จะมาใหญ่กับโรงทำทองคำโรงทำเพชรมันคนละโรงหรือคุณจะใหญ่จากโรงทำเพชรก็ตามคุณไปในโรงขยะคุณตายตกถังขยะตายนั่นแหละคุณจะไปใหญ่กับถังขยะไม่ได้เราต้องให้คนใหญ่ที่ถังขยะเขาชี้ทางเขาบอกไม่งั้นคุณก็ตายในถังขยะนั่นแหละ นี่มันทำแอคทำใหญ่เลยเพราะฉะนั้นในความใหญ่ของจุดไหนก็ตามถ้าเรารู้แล้วว่ามันไม่แม่นต้องมาใหญ่มาเยยแลกเมื่อลถใหญ่ลงเราก็จะเข้าได้เราจะเป็นไปได้ขณะนี้เรามีจอมพยพรมเรามีอยู่เยอะเหมือนกันมันเข้ากันไม่ได้สนิทมันไม่เพราะอะไรหรอกไอ้การเกลียดคร้านก็คงไม่เกลียดคร้านสักทีเดียวเพราะมันเป็นอบายมุกเป็นเรื่องต่ําความขยันก็จะมีแต่มันขยันไม่ออกเพราะ ไอ้อะไรเกล็ดมั่งน้ำมั่งไอ้อะไรมั่งอ่ะเคยเห็นสัตว์ประเภทโบราณเี่เขาเขียนไหมไอ้ไดโนเสาร์ใหญ่ๆหรือว่าไอ้จอมจิ้งจกใหญ่ไอ้พวกนั้นนะเกล็ดใหญ่ สันหลังเป็นแหลมแหล ม, ลมน้ำหนามหางตะกุยมีทุกอย่างทุกเหลี่ยมแนละตะปุ่มตะปําเคยเห็นมัมยิ่งออกไปในหนังอะ่ะเขามีสัตว์ประเภทตะปุ่มตะปำแหลมแหล ม, ลมทู่ๆเต็มร่างกายไปหมดนั่นนะคือปุกราติฐานมันใหญ่นะปุกราติฐานมันใหญ่แล้วมันแหลมแทงกันไปหมดไปตรงไหนมันราดลายมันเกี่ยวไปหมดเลยออืมันไม่คล่องเลยมันทําอะไรไม่ได้แล้วก็ไม่ทําไม่ทําอ่ะมันแหลมมันบาดเข้าไปหมดอ่ะคนอื่นก็บาดตัวนั่นแหละ มันเหมือนคนอื่นเขาโอ้โหเขาไม่ให้เกียรติเราเลยเราไม่มันไม่ได้ใหญ่สมใจใจมันใหญ่ไอความรู้ไอความถือตัวไอความอะไรพวกนี้มันฟังดีๆนะนี่เป็นธรรมะถ้าฟังเอานา ม, มาทำฟังเอาความรู้ที่ละเอียดได้แล้วก็จะรู้ทุกคนนั่นแหละขอบอกเลยในขณะนี้มันมีเหลือมากน้อยก็ตามอยู่ในตัวมันไปเข้าไม่ได้จะไปทํางานนั่นจะไปทํางานนี้จะไปโน่นนี่หนึ่งตั้งแต่ใหญ่ตรงๆเลยว่าเฮ้ยงานนี้งานชั้นต่าเราไม่ทํานั่นแ ต, แ, ต แ, ตแต่แต่แต่ใหญ่ใญตรงๆหยาบ ในงานท่านต่ำคนต่ํานี่ใครทำก็ได้อย่างนี้เป็นแบบไปข้นไปหามไปลากไปเช็ดไปถูอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันใหญ่อย่างนี้ใหญ่หยาบหยาโถไปซื้อสักซู้อสีอะไรทําได้ก็ทํำล่างสวมเช็ดขีอะไรก็แล้วแต่ถ้าว่างานต่ํางานหยาบอะไรต่างๆนะมันเริ่มต้นมาจถือศักสีใหญ่ขึ้นไปอย่างงี้นอกนั้นก็มีอีกไม่รู้กี่ชั้นกี่เชิงตัวนี้ ตัวเองทำได้ก็ยังดีตัวเองทำไม่ได้แล้วแออัดอดด้วยไม่เข้าเรื่องมันจะไปได้เรื่องอะไรให้ทำได้หรือทำไม่ได้ก็ฝึกเข้าไปจะไปฝึกก็ฝึกไม่ได้เพราะตัวใหญ่จะต้องแมมทท่าทีมันจะต้องเก่งอะไรไม่ฝึกอะ่ะฝึกก็ไปที่จะทำโน้นทานี้อะไรตัวไหก็ทำก็ไปมันก็จะคล่องจะแคล่วแล้วก็อ่านจิตอ่านจิตตัว อย่าถือสัก์ถือสีแม้จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นก็จะเวลาจะสอนเขาบ้างละตอนนี้คนสอนก็เป็นพยาพรมสอนเขาก็อ้อย่างงนอย่างงี้แรงแรงแข็งแข็งทุ่มทุ่มทิมิ ม, มอะไรต่างๆนานาต่างคนต่างนามแหลมด้วยกันมันก็ฉะกันที่กันดังสนั่นหวั่นไหวแ่นั่นเอง ได้ยินไหมเราดูเวลาเคยดูหนังไหมเราเวลาไอ้ไดโนเสาร์ก็ไอ้อะไรล่ะประเภทเขาเรียกอะไรต่ออะไรเราไอสัตว์พวกนี้นะกิ่งกายกับไดโนเสาร์มันฉากกันโอ้โหเสียงสนั่นฟ้าสะเทือนนั้นแหละนะปุกกราธิฐานชั้นใดก็ชั้นนั้นนะ่ะแบบนั้นนะ่ะสนั่นวันไหวป่องๆแล้วมันก็จะทําอะไรได้ทุกอย่างก็พังไปตามพังไปหมด สะเทือนเลื่อนลันว <c oughs> ันไหวไปหมดไม่เอาอ่ะเราไม่เอาไม่มีแง่งไม่มีแง่อะไรไม่มีเหลี่ยมไม่มีแหลมอะไรทั้งนั้นเนี่ย <c oughs> ลดว่าการจะชนะพรมทิพกาพรมนี้จึงเป็นผู้ที่ไม่ถือยึดถือวาทะยึดถือความดียึดถือความเห็นประเสริฐ <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดการกล่าวชั่วในความเห็นประเสริฐนี่ภาษาเขาแปล แ, แค่นี้ มันหมายความว่าเราจะต้องรู้ความประเสริฐรู้การกล่าวการเสนอแนะการเป็นการพูดอะไรกันอยู่และเราก็พยายามปรับปรุงก็ทำกันให้เจริญงอกงามเมื่อเราเองเราลดความเป็นพรหมได้ไม่มีถือสักด์ถือสีแต่ก็มีความสูงจริงได้ด้วยก็เอาก็สูงก็ส่งขึ้นไปตามขั้นตามตอนนะ จะสูงจะส่งก็สูงไปตามชั้นตามเฉิงเมื่อเราสูงจริงคนเขาเคารพนับถือยกย่องให้เองแล้วเรายิ่งไม่ถือตัวนี่แหละเขายิ่งสนิทใจเขายิ่งมันยิ่งทราบซึ้งปราบปลึมเท่าเรายิ่งถือตัวแล้วมันก็เกิดการกังแงงกังแง่มันเป็นฐานสูงมานะสังโยชน์ต้องปราบมานะสังโยชน์คนตน จนเราไม่มีอุทธจจะไม่มีการเก้อเขินเข้าไหนทําไหนพูดก็ดูดีกลมกลืนก็ทํางานการมีอัตจริยาพฤติกรรมความประพฤติกับเข้าที่นั่นที่ดีไม่ดูเก้งก้างแกะกะไม่ดูเก้อเขินเลยสอดร้อยประสานสนิทสมาเนตตาสมสังเคราะห์กันอยู่อย่างแเป็นพลังงานอันสอดคล้องอันนี้ขาดอันนี้เสริมอันนี้ประสานโอ้ไม่เก้งไม่ก้างไม่แกะไม่กะสอดร้อยราบลื่นประสาน เข้าใจให้ลึกกว่าที่พูดนี่ให้มากด้วยเมื่อยแล้วไม่รู้จะพูดยังไงต่อนะมันจึงจะเห็นพลังและพลังและเราจะยิ่งใหญ่ทุกคนช่วยกันใหญ่ไม่ใช่ต้องแบ่งใหญ่มันจะใหญ่เองโดยทำคนจะเห็นความประเสริฐของเราจะเคารพนับถือเองเราจะใหญ่เองโดยเขาให้ไม่ใช่ว่าเราเร า, เราเอาไม่ใช่เราเอาเราอยากได้อซะ ด, ด้วยไม่ใช่ไม่ต้องยึดไปเขาจะให้เราเองเขาจะเคารพนับถือเราเอง จริงๆพิสูจ น, น์วันคืนวันคืนนอกจากไม่เป็นนาคไม่จอมนาคหลบลี้แล้วเมื่อมาขยานันก็ต้องขยันให้เข้าได้อยามีเหลี่ยมมีคูอยากขบอยากขัดอยามีเนื้อมีตัวอย่ากมีมานะประสานจนไม่มีอุทจจจะไม่มีการเกลื่อไม่มีการเขินไม่มีการขัดเนียนสนิทประสานสอดร้อยอันนี้เป็นพลังเป็นกําลังพระพุทธเจ้าท่านก็ปราบอันนี้เป็นนามธรรมา ตัวท่านเองท่านก็ปราบจิตของท่านและท่านก็พยายามทําคนที่เขามีจิตอย่างนี้ให้ลดลงมาเหมือนกันก็เรียกว่าปราบผู้อื่นประโยชน์ท่านท่านทําตนได้ท่านก็ทําผู้อื่ น, น, น, น, น, น, นให้ผู้อื่นลดลงมาเหมือนกันนิ่มนวลสุภาพรเรียบร้อยอทําให้สอดคล้องอยู่กันได้อย่างดีประสานสอดกันอยู่สังเคราะห์กันอยู่ได้อย่างดีจะเห็นพลังขอให้พวกเราได้พิสูจน์นี่เราทํากันมาขนาดนี้ก็ดีมากแล้วแต่มันยังมีดีมากกว่านี้ ก็ยังน้อยไปยังไม่ใหญ่โตอะไรได้แค่นี้ก็บุญอยู่นะอันนั้นก็เป็นบทสุดท้ายบทสรุปเอตาปิพุทธชยมังคละอัตคาถาโยวาจโนทินทินเนสระเตมตันทีหิตวานาเนกวิวิทานิจุ ป, ปัตถวานิโมขังสุขังอธิคเมเยยา น, นโรสปั ญ, ญโยนั่นเราก็สวดกันอยู่หมายความว่าพุทธชยมงคลทั้งแปดคาถานั้น พุทธชัยมังคละอัฏฐคาถาแปดคาถานั้นโยไดวาจโนกล่าวผู้ได้กล่าวอยู่ทุกวันทุกวันทินทิเนแปลว่าตลอดทุกวันทุกวันสระเตมตันทีระรึกอยู่เสมอนอรชนนั้นพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกอหิตวานนเนกวิวิธานิจุปัตถวานิ โมกขังจนบรรลุถึงความหลุดพ้นสุขขังถึงความสุขเพราะปฏิบัติจนเกิดปัญญาแท้อธิคเมเหยยนโรสปัญโยเป็นผู้ติดถึงปัญญาอันสูงสุดแท้ละได้จริงๆหมดพยันตรายบรรลุความหลุดพ้นถึงความสุขเป็นการสรุปบทนี้ก็เป็นการสรุปจะอยู่เย็นเป็นสุขสบายเป็นที่สุดมันเป็นเรื่องของ ความเป็นจริงที่เราพิสูจน์ความเป็นจริงเราได้เรามีเราเป็นเรารู้เราทําประโยชน์ตนได้ประโยชน์ท่านได้อยู่อย่างนี้ความประเสริฐของมนุษย์ก็มีอยู่เท่านี้ไม่เห็นจะมีอะไรกว่าอื่นขนาดนี้เพราะอะไรเรายังขาดตกบกพร่องยังเหลืออยู่ขอให้ทําการสังเคราะห์ทําการประสานทําการผสมส่วนให้เป็นพลังมดอันมหาศาลเป็นสามัคคีสังคสัก ร่วมกันทำร่วมกันสร้างลถจุดไหนที่ตัวเองยังมีแง่มงีง่งมีจุดบกพร่องแต่ละฐานฐานมาน้าตั้งแต่จอมเอาตั้งแต่ปลายไปหาต้นกันแล้วกันใครมีจอมพรมอยู่มากๆรูตัวลถเข้ากันประสานให้ติดใครมีจอมนาอยู่ทำลายเลิกละวางจางมาใครเป็นจอมโจรบัณฑิต รู้ตัวรู้ตนให้ได้ว่าอะไรมันซ่อนมันแฝงอะไรมันมันยังปนยังบังอยู่ไอายาลามกอนาจารย์เป็นจอมายาสาไทยอนอกกว่านั้นก็ไม่ไหลอะไรมากแล้วนะเพราะว่ามันเป็นงานที่หยาบและรู้อยู่แล้วกันชัดๆขอให้พวกเราได้เข้าใจโดยปริยายแม้นี้ตลอดมานี่ที่อธิบายมาทั้งหมดทั้งมวล น, นี่นะ เอาละก็วันนี้ก็เลยเวลาไปเพราะว่าจะทําให้จบรู้สึกจะปรุงกันไม่ค่อยจะมีผื้อหวาอะไรมากมายนักยกตัวอย่างตัวอย่างอุทาหรณ์มากๆอะไรมันก็ละเอียดละ อ, อแต่วันนี้ก็น้อยไปนิดนึงมีแต่ภาษาที่เอาเนื้อเน้อคัดฟังดีๆตลอดก็จะได้รับความรู้ที่จริงเพราะว่าเค้นๆเอาอยู่ในเนื้อเนืมันสําคัญสําคัญนะซึ่งเป็นนามธรรมละเอียดละ อ, อ, อะเราฟังขณะ น, นี้วันนี้ยังไม่รู้เท่าไหร่ในอนาคตเราจะรู้ เราจะเข้าใจแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติตามพึงเข้าถึงได้เป็นที่สุดอาลัสนับวันนี้ก็ขอเอวังเพียงเท่านี้